ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัตรเชา้าเรื่องทิษดีกอบกู้มนุษย์ของพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2524ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ ถ้าเรามาคุยกันต่อเราได้ทำพิธีกรรมเราเรียกได้ว่าพิธีกรรมซึ่งเป็นการนัดแนะเป็นการตกลงเป็นการวางรูปแบบวางแบบแผน วางการกระทาต่างๆมีวิธีการมีการรับรู้มีการร่วมมือร่วมใจกันมันเป็นพิธีกรรมทมี่ไม่เล็กนักสำหรับอย่างพวกเราและแม้ชื่อเราก็เรียกกันซะใหญ่เหมือนกันว่าเป็นพิธีกรรมมหาปรวรณาซึ่งการกระทาอันนี้เป็นการ ส่งเสริมสนับสนุนพระราชประสงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ประสงค์มากเพราะว่าการปรวารณานี้เป็นการแก้ไขกิเลสหลักของมนุษย์คือกิเลสมานะกิเลสมานะนี่เป็นกิเลสหลักซึ่งมีได้ตั้งแต่ปุถุชน มากมายเลวร้ายเป็นกินเลสที่เกิดมาแต่อ่อนแต่ออกจะเห็นได้เด็กเกเล็กๆเนี่ยฝึกเอาแต่ใจตัวเอาแต่ร้องอยากไอ้นันไอ้ น, นี่อะไรก็ร้องไห้เป็นการต่อรองร้องเอาแต่ร้องร้องรอ ง, รองเป็นการต่อรองเอาเพื่อที่จะได้สมใจตนอาจจะดิ้งจะรนจะทําอะไรอื่นๆอีก โดยเฉพาะสัญลักษณ์แห่งการร้องของเด็กเป็นการต่อรองเป็นการกระทําเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสมใจของตนของตนเป็นอัตตาเป็นมานะอัตตาการสะสมสิ่งเหล่านี้เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนมีมนุษย์นะและก็โดยที่สุด สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าที่มีพระปีชายานจะรู้ซึ่งอย่างถึงตัวตนมานอัตภาพถึงที่สุดที่ละเอียดสุ ข, ขุมขั้นถอนตัวตนอัตตารู้ธรรมชาติของจิตวิญญาณอย่างลึกละเอียดไปจนกระทั่งแม้มันเป็นอัตตาขั้น รูปราคะอรูปราคะซึ่งเป็นฐานละเอียดเป็นฐานที่ซุกซ่อนแฝงปนแยบคายมากจะต้องเกิดดวงตาหรือเกิดยานทศนวิเศษที่สูงละเอียดละออ่จึงจะสามารถจำแรกจับลงไปได้โดยสามัญสำนึกโดยฐานชั้นที่ มีความรู้ทางด้านปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมดาธรรมดานี่จะรู้ได้โดยกามราคะประมาณหนึ่งโดยฐานหนึ่งแล้วก็ลึกซึ้งที่แฝงซ้อนแฝงปนที่มันมีเล่เล็เลมื่นกันจา ก, กิเลสนี่ร้ายแรงเราจะไม่รู้เลยบางทีมันก็สงบดูสงบไม่ได้ถูกกระแทกกระเทือนอะไรมันก็ฟักตัวเป็นอาสวะ เขาถึงเรียกเครื่องหมักดองเหมือนเชื้อยีสเหมือนเชื้ออะไรนี่แตกตัวอยู่ทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยที่ได้เหตุปัจจัยแม้แต่ไม่มีตาหูจมูกดินกายราคะ ต, ต่างๆนั้นที่มีเชื้ออันเป็นกามเป็นพยาบาทอะไรเล็กๆน้อยๆที่เหลือเชื้อมันก็จะเป็นตัวเชื้อแตกตัวอยู่จนกระทั่งมันจะหมกหมัก มากขึ้นได้แม่ไปหนีไปอยู่ที่ป่าเขาทําที่ไหนก็ตามถ้าเชื่อเหล่านี้มันยังไม่ดับสนิทถอนสิ้นอาสวะมันก็จะแตกตัวแม่มันจะกระทบได้รูปสีกลิ่นรสเล็ก ๆ, ๆน้อยทๆทีละเล็กทีละน้อยในปาน่าเป็นรูปเป็นสีสวยงามในป่าเป็นเสียงเป็นอะไรแม่จะไม่ถูกปรุงปรนถึงขนาดเสียงสังขารของมนุษย์ ปรุงขึ้นมาเป็นเสียงดนตรีมหาดนตรีทีเดียวไพเราะเพราะพิงยอมใจถึงขนาดยางไรก็ตามเสียงเล็กเสียงน้อยแม้แต่ในธรรมชาติรูปเล็กรูปน้อยแม้ในธรรมชาติรูปร้องินเสียงสัมผัสต่างๆนั้นเองก็ตามหรือเป็นภายในจิตของตน เกิดการปรุงปั้นอาไลาอาวอหวนหาอยู่ลึกๆ ก, กระทําโดยไม่รู้ตัวกระทําการสั่งสมเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นจะเป็นฤาษีร้อยปี2 0 0ร้อยปีห้ารอยปีพันปีอยู่ในป่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ที่จะถูกการชำระแล้วก็ชำระ สสางในล้างกิเลสพวกเหล่านี้ออกไปได้ไอ้เป็นเรื่องจริงจเป็นเรื่องที่ทยากะจะไปอยู่เช่นนั้นมันเป็นเรื่องที่ลำบากที่จะขุดคนหรือว่าจะหยุดสนิทดับสนิทได้กรรมวิธีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นกรรมวิธีที่วิเศษที่สุด มีทิศทางมีวิธีการจะทำออกอย่างเก่งมีการกระแทกกระเทือนมีการเรียนรู้เหมือนกับเราจะเอาอะไรออกจากกล่องจากกระป๋องจากของอะไรเงี้ยเราทั้งลวงทั้งเช็ดทั้งเคาะทั้งควา่าทั้งอะไรกระแทกกระเทือนปัดถูสัมผัสมันทุกส่วนให้มันออกมาให้เกลี้ยงได้ ชั้นใดกรรมวิธีมรรคองแปดของพระสมมาสัพพุทธเจ้าที่จะมีธรรมชาติที่จะต้องเหมือนทดสอบโดยธรรมชาติโดยให้มีสติอยู่กับตัวมีกรรมวิธีระมัดระวังไม่ประมาท ร, รู้เสมอรู้เท่าทันเมือ่อใดมันโผล่เมือ่อใดมันถูกกระแทกกระเทือนมันจะเกิดเพราะถ้ามีเชื้อมันจะเกิดถ้ามันไม่สนิทนิ่งอย่างสงบจริงๆแล้ ว, ลวก็ ตายแน่มันก็จะต้องมีเพราะนั้นมาอยู่กับธรรมชาติโดยชีวะชีวิตธรรมดาสามัญโดยเฉพาะทวารตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะถูกกระแทกกระเทือนอยั่วย้อมอยู่เสมอจริงๆรเพราะกรรมวิธีของมรรคองแปดของรู้ธเจ้าที่ปฏิบัติทำอย่างรู้เท่าทันมีการงานมีสติปัานาระมัดระวังแล้วมันก็จะถูกกระแทกมาจนหมด เมือนที่กระแทกกระเทือนเช็ดปัดล่วงถึงเอทิกของความสะอาดหรือความติดความอะไรมีอะไรอยู่เมื่อเราจะชําระให้กระป๋องสักใบหนึงทั้งนอกและในอย่างสะอาดที่สุดนี่บางทีเราก็ต้องเคาะออกบางเราก็ต้องล่วงเข้าไปบางเราก็ต้องกระแทกกระเทือนอะไรบ้างมันจึงจะออกมาหมดเกลี้ยงชั้นใดมีอุปมาชั้นนั้นคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันทีเดียว เพราะวามันเรียก ม, มากระแทกแบบกระป๋องง่ายๆเท่านั้นคนมันมีการกระแทกลึกซึ้งมากกระแทกทั้งลีลาภาษาทั้งลีลากิริยาทั้งลีลาอะไรทุกอย่างเลยมันจะกระแทกกระเทือนกระเทาะออกมาด้วยเรื่อย ๆ, ๆด้วยกรรมวิธีไม่ได้หนีจากไม่ได้พรากแต่มีสัมผัสเป็นปัจจัยนี่จึงเป็นสิ่งที่แน่ชัด เพราะฉนั้นแม่ฐานกลามก็จะกลิ้งละเอียดล่วงไปถึงรูปราคะอรูปราคะสะาดหมดสิน้นนั่นี่เป็นฐานกลามส่วนฐานมานะนั้นใหญ่ตั้งแต่ตัวตนตั้งแต่หลงไม่รู้ว่าเราจะใหญ่จะโตยังไงเราไม่รู้ยิ่งไปอยู่เป็นรูสีแล้วลราก็ยิ่งไม่รู้เลยว่าเรานี่มันใหญ่มันไม่ใหญ่เพราะมันจะใหญ่ไม่ใหญ่นี่นะ เสือสิงกระทิงแรดเสือจริงๆนะเสือสิงช้างมา้างูควายอะไรอยู่ในป่าในเขาในถ้ามันมันไม่สามารถที่จะล้างล้วง อ, อมานะของเราออกมาได้มนุษย์เนี่ยสุดแสนที่จะยอดเยี่ยมที่จะล้วง อ, อมานะออกมาได้เขาจะไม่รู้เลยยิ่งเข้าไปอยู่ในป่าแล้วจะไม่รู้เลยว่ามานะของเราเป็นอย่างไรและมานะที่ร้ายที่สุดก็คือมานะอัตตาที่เราไม่รู้ว่าเราหลง อัตตาที่เป็นอัตภาพนิ่งสงบเงียบซึ่งเป็นอัตภาพที่ลึกซึ้งซับซ้อนมากนิ่งแข็งนิ่งอยู่เฉยเนิ่งไม่รู้โลกเป็นสภาพลทัทธิโล ก, กันตะคือสภาพหนีโลกโล ก, กันตะนี่คือหนีโลกเราไปอยู่ที่สุดโลกที่ไหนเราหาที่สุดโลก โดยการวิ่งหนีซึ่งมีคนวิ่งหนีกันมานานจะมาถามพระพุทธถามพระพุทธเจ้าพยายามวิ่งหนีมีอายุเท่าไรก็วิ่งหนีสุดโลกอยู่ที่ไหนแล้วพระเจ้าเขบอ ก, กไม่มีที่สุดโลกนั้นหาไม่ได้ต้องมาทําอย่างที่ท่านทำมีมรรคมงแปมีอริยสัจสีรู้เหตุรู้ปัจจัยดับเหตุดับปัจจัยสิ้นอยู่กันนกโลกนี่เหนือโลกนี่นี่จึงจะเป็นที่สุด เห็นก็กระทั่งวิญญาณเป็นอย่างนี้วิญญาณคือธาตุรู้อย่างนี้ดังนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวสรุปง่ายๆของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับคนมาจึงจะรู้มานะทุกรูปแบบทุกลีลาถ้าพูดได้ปฏิบัติประพฤติจะเห็นของตัวของตนของใครก็ของใคร จะต้องรู้ของตัวเองให้ดีแล้วว่านี่มันยึดถือตัวถือเราแม้เราจะดีนะเราก็จะต้องใช้ดีนั้นเป็นและต้องมีประมาณมีประมาณเราออกมาใช้เท่านั้นเท่านี้บางครั้งเรามีดีมากนะเราจะเอาดีเข้มๆค น, ค น, คนดีมากๆของเรามาใช้กับเขากับคนใดคนใดก็แล้วแต่หรือกับกลุ่มหมู่ใดก็แล้วแต่เราจะเอาดีมากนะั้นควักออกมาใช้กับเขาโครม กับเขาน่ใช้ไม่ได้เลยเขาดื่มไม่ลงเลยอาตมายังจาไม่หายจนเดี๋ยวนี้เคยพูดถึงหลายครั้งแต่อาตมาปฏิบัติทำอยู่แต่เปคารวะอยู่ที่บ้านแล้วอาตมาก็อยากให้น้องให้นุ่มเขาทำน้องคนเล็กตอนนั้นยังไม่โตเรียนมสออยู่เลยมสองอาตมาก็ปฏิบัติพยายามจะเข่งรับพยายามที่จะ สอนเขาเขาลองวากออกมาทีที่เขาบอกว่าน้ำตาลนี่ยเขารู้นะว่าหวานแต่ถ้าหวานเกินไปเขากินไม่ลงนะเขาบอกงี้เขาปะัะปะทุกออกมากระเบิดออกมาเงิ น, น, นเลยอาตมาสะดุ้งเลยได้คิดตั้งแต่ปัดบัตรนั้นตั้งแต่ยังไม่ได้มาทํางานาศาสนาอย่างเดือนนี้ฟังใจเห็นจริงเลยโอ้โห นี่เป็นบทเรียนที่เราต้องรู้ตัวหารหรือว่าปรัชญาอย่างนี้แค่นี้แหละที่น้องชายประทุระเบิดออกมาให้แกอาตมาางนี้อาตมาก็เห็นจริงเออคนเรานี่มันมีประมาณนะคนเราเนี่ยมันมีประมาณหวานจัดมันกินไม่ลงมันก็รู้ว่าหวานนะรู้ว่าน้ำตาลหวานน้ำตาลอร่อยแต่หวานจั เกินไปกินไม่ลงนะเขาว่างนันเออเราก็มาจริงของเขาอาตมาก็รู้สึกสํานึกแล้วก็พยายามทําโดยประมาณมาเรื่อยอาตมาว่าอาตมาได้ฝึกแล้วก็ทราบซึ้งบทนี้นี่อาตมาพูดถึงเลยบทนี้มาหลายทีเหมือนกันนะแล้วก็ได้กระทํางานมานี่ก็คิดว่าจะพิสูจน์เพราะอาตมาเจตนาพิสูจ์เหมือนกันว่า เราประมาณขนาดนี้นี่ได้ผลไม่ผลได้กับผลเสียจะมากกับกันแค่นใดยิ่งทำงานประมาณกับหมู่หมู่กว้างขึ้นหมู่เยอะขึ้นมีขนาดไม่เท่ากันจริตไม่เท่ากันความยึดถือไม่เท่ากันแล้วเราจะทำอย่างไรอย่างนี้จะได้ผลมากทำแรงขนาดนี้ได้ผลมากหรือว่าเสียผลมากไอจะไม่เสียไม่ได้หรอกถ้าเผื่อว่าถึงขัน้นถึงกีด ยิ่งมาถึงขนาดนี้อาตมาก็ได้กลืนถึงแล้วว่าอาตมาทำถึงขนาดว่าจะพิสูจน์ทฤษฎีที่พระเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อท่านจะสอนพอสอนลงไปแล้วได้อรหันต์อาตมาตั้งกอสังเกตให้ฟังเสมอว่าอารหันต์นะได้อรหันต์มาหกสบองค์อาเจียนเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากไปหกสองค์บอกปลาคืนสิกขาไปหกสบองค์พระพุทธเจ้า ตรัสว่ท่านกระทำทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีอัตมาถือว่าเป็นขีดเป็นขีดมาตรการสูงสุดซึ่งเป็นขีดขีดมาตรการสูงสุดของทุกเขตตั้งแต่ทั้งขั้นเอาอารหันต์อัตมาอาจจะยังไม่เก่งที่จะอธิบายให้พวกคุณฟังถึงรายละเอียดของทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่โพธิสัตย์อย่างอัตมาจะต้องศึกษามาก อาตมาไม่ใช่ดูถูกคิดว่าพวกคุณยังเข้าใจยังไม่ถึงหรอกแต่ก็คิดว่าเข้าใจได้สําหรับผู้มีปฏิพานปัญญาพอสมควรแล้วอาตมาก็ได้เห็นได้พิสูจน์ได้เป็นไปอยู่ว่าเออถ้าเราจะพยายามทําสูงความหมายของอรหันนี่บอกว่าสูงสุดแต่ว่าอาตมาใช้ความว่าอาตมาจะพยายามทําสูงเข็นเอาสูงขึ้นมาเนี่ยมันมีภาวะอาเจียนเป็นโลหิตจริงๆมันมีภาวะบอกลาคืนสิกขาจริงๆถดถอยจริงๆ สำหรับคนบางคนของพระพุทธเจ้าท่านตั้งเขตไว้จนกระทั่งถึงอาเจนเปโลหิปหนึ่งต่อสบอกลาคือสิขาหนึ่งต่อสาได้เนื้อยอดมาหนึ่งต่อสเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นมาตรการอัตราส่วนเป็นทฤษฎีนะเป็นทฤษฎีถ้าใครเข้าใจคำว่าทฤษฎีคืออะไรก็จะต้องจ ะ, จ, ะจะรู้นะถึงเห็นว่าเออ แม้พระพจ้าในท่านสอนไว้ละเอียดยังมีอีกนะอาตมาว่ายังไม่พบทฤษฎีที่อาตมาจะเอามากล่าวถึงแล้วก็เอามาใช้สําคัญตอนนี้บททฤษฎีอันนี้มันเป็นทฤษฎีพิสูจน์มานะพิสูจน์มานะของมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีมานะยึดถือติดแล้วแน่นอนบางคนก็จะต้องอาเจียนเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากไปทีเดียวบางคนก็จะต้องต้องขอถอยตั้งหลักก่อน บอกลาคืนสิกขาไปทีเดียวนะและบางคนได้ดีได้ดีสูงขึ้นสูงขึ้นไปหายอดไปหาปลายจริงอัตมายิ่งพิสูจน์จิงเห็นว่าชัดแล้วอัตมา ก, ก็ประมาณก็ทําอยู่ฝึกฝนอยู่รู้มานะในมานะมีตัวอย่างให้ดูให้เห็นแหมดูแล้วไม่เบื่อถ้าเบื่อก็คงไม่ทําต่อไม่เบื่อ ดูแล้วไม่เบื่อมีลีลาแปลกแปลกมีลีลาออคนนั้นเป็นอย่างนั้นนี่คนนี้ไปอย่างนี้หน่อยเห็นอยู่รู้อยู่ศึกษาอยู่แล้วก็พยายามที่จะเมตตาเกร้อกูถ้าเป็นอย่างนี้เป็นโรคชนิดนี้เราจะแก้ไขยอย่างไรเราจะช่วยกันอย่างไรเห็นแม้แต่ฐานะที่มาอยู่ในภูมิเป็นนักบวชม่เพศนักบวชอยู่ในภูมิเพศของครวา่า มีฐานสูงภูมิสูงเหมือนกันแต่อยู่ในสมมุติที่ต่างกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันก็ดูเห็นว่าเอออิทธิพลของทุกอย่างทั้งหมู่มิตรทสหายดีเพื่อนดีสิ่งแวดล้อมทั้งวัตถุทุกอย่างทั้งมนุษย์องค์ประกอบต่งตางๆพวกนี้ชี้ชวนชักชวนหรือวันนำพาทําให้เป็นไป เ, เป็นไปอย่างโน้นเป็นไปอย่างนี้ต่างๆได้ ซึ่เห็นอยู่รู้อยู่ศึกษาไปและอาตมาก็คิดว่าอาตมาได้ยิบออกมาแจกแจงออกมาพูดถึงกล่าวถึงบางทีก็จะรู้ตัวและล้า่ยคนจะรู้ตัวว่านี่ท่านเอาตัวอย่างของเราเออกมาแฉแล้วเว้ยตอนนี้ท่านเอาตัวอย่างของเร า, เามาแฉแล้วเว้ยอาตมาเชื่อว่าที่นั่งฟังคนนี้จะรู้ตัวบางทีไม่แฉแล้วเว้ยท่านั้นจะบอกชื่อเลยบางทีระบุเลยอย่าง จังนี้ผู้นี้เป็นต้นเื้ออาตมาก็ยิบขึ้นมากล่าวมาชี้มาบอกมาเปิดเผยเพื่อให้ศึกษาเพราะบางทีบางอย่างเนี่ยต้องระบุไปเนี่ยมันอธิบายไม่หมดอธิบายไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเพราะคุณก็จะได้รู้เหมือนกันเมื่อเราครบคุนกันเป็นมิตรเป็นสหายกันเราก็จะได้รู้ว่าอ๋ออย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างอะไรต่างๆนาน า, นาที่อาตมาพูดไม่ถึงหรือไม่ได้พูด เขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราก็สัมผัสสัมพันธ์เราก็กระทบเราก็รู้อย่างนี้มีอะไนี่นี่นันนั่นนั่บางที่มันพูดโดยภาษาไม่ไหวคุณก็จะได้รู้เพราะฉะนั้นจึงมาถึงได้ระบุบอกบุคคลออกมาซึ่งเรารู้กันนะไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะบุคคลนั้นๆเพื่อจะได้รู้พฤติกรรมกริยาจริตจิตใจต่างๆ แล้วเราก็จะได้มาใช้เทียบใช้เคียงศึกษาอาตมาว่าอาตมาไม่มีเจตนาร้ายต่อใครแม้จะเป็นศัตรู ท, ที่มุ่งร้ายต่ออาตมาอาตมาว่าไม่ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็กแล้วแต่นะอาตมาว่าไม่เพราะาอาตมามั่นใจแน่ใจว่าอาตมารู้และอาตมาล้างมันจะเหลือเศษเหลืออะไรอยู่มันก็อาจจะเป็นความหลงเท่านั้นน่ะ อาตมาว่าอาตมาไม่หลงมีสติรู้แล้วก็พยายามอย่างลึกทุกทีเลยถึงจิตว่าเราเหลือค้างเศษพยาบาทอาฆาตความไม่ชอบแม้เศษความไม่ชอบอยู่หรือเรามีหรือแม้แต่ความไม่ชอบเท่านั้นมันเป็นเชื้อเป็นอนุสใสเป็นอาสวะได้ที่เราจะไปก่อพยาบาทไปก่ออักติต่างๆเป็นได้ เพราะมันจะไม่บริสุทธิ์มันจะไม่ดีไม่งามเลยเป็นหลักอย่างอาตมาเป็นโพธิสัตว์ทำงานนี้ถ้าขืนมีความไม่ชอบในการทํางานไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันจะต้องมีศัตรูโพธิสัตว์ทำงานในยิ่งทํางานรับผิดชอบงานหน้าที่ศาสนาซึ่งจะต้องต่อสู้กับลัทธิต่อสู้กับความเห็นต่อสู้กับผู้ที่ยึดถือต่างกันมันจะต้องต่อสู้จริงๆ แลถ้าเผื่อว่าเรามีตัวเชื้อมันจะเกิดอคติเพราะต้องระวังอาตมาระวังมาก <c oughs> มันเป็นอคติไม่ได้เพราะเราจะไม่มีแม้ชั้นทาคติโทสาคติโมหาคติจะต้องตรวจมาให้เป็นโมหะเซกอาตมา ก, ก็เป็นแต่เพียงบอกคุณเท่านั้นว่าถ้ามันเป็นก็เป็นความหลงก็เป็นโมหะที่อาตมาสุดวิสัยอย่างรู้ไม่ไหวแล้วหมดมีอาทิตย์ มีดวงตาธรรมจักสุอันแยบคายเท่านั้นเท่านั้นของอาสมาของอาตมาที่สามารถรู้ได้อาตมาก็พูดทิ้งไว้เท่านั้นแต่ได้พยายามกระทําอยู่ดูเสมอก็อเห็นว่าเอะเราไม่มีก็ไม่มีแม้แต่เขาจะมากระทุง้งกระทแทกแรงยังไงในเวลารู้ตัวไม่รู้ตัวยังไงก็ตามจะตั้งใจรับไม่ได้ตั้งใจรับ ทุกเวลายังไงก็ตามก็พยายามเร็วใช้มุทุภูเตตรวจเร็วในจิตของตัวเองเรามีเชื้ออคติอะไรหรือมีเชื้อเหลือแม้ไม่ชอบใจเพราะบางทีมันก็แทกแรงไม่รู้ตัวมันก็แทกแรงรุนแรงจะเรียกว่าหยาบคายจะเรียกว่าเอาเป็นเอาตายกันหนักยังไงก็ได้ไม่เราก็ต้องพยายามรู้ตัวว่าเราจะต้องมีหลักมุทุภูเต กรรมนิเยเราจะทํางานเราต้องรู้ตัวมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่นะตรวจมีหรือไม่อาการที่อย่างที่ว่าพระอาตมาก็รู้เรียนรู้รูปนาม ร, ร, ร, รู้อาการลิงคนิมิตอุเทศรู้อาการของจิตนั่นแหละตัวจิตรักษาจิตตนเสมอเสมอจริงๆตามรักษาเสมอมีพัรษาใดก็รักษาก็รู้สึกว่าอาตมา รับรองอยู่ว่าอาตมาไม่มีอคตินะหรือว่าไม่มีเชื้อที่แม้แต่อารติแม้แต่ความไม่ชอบใจรู้สึกว่าเอเราก็ไม่เห็นว่ามันจะต้องมีทำไมเพราะอาตมาชัดชัดอยู่แล้วว่าเศษเสี้ยวใดๆของสายโทสะโคตเนี่ยไม่ให้คุณแก่ทั้งตนและท่านเลยฟังตรงนี้ให้ชัด แม้แต่เศษธุลีใดๆเลยของตระกูลโทสะโคดอาตมาพูดอย่างนี้เขาจะเข้าใจนะไม่ว่าธุลีละอองขนาดใดของโทสะโคดไม่ให้ประโยชน์แก่เราและใครเลยทั้งตนและทันไม่ให้แต่ทางราคะโคดหรือทางกามโคดหรือจะเรียกโลภโคดก็ได้ความต้องการความมุ่งหวังมีคุณมีคุณอยู่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันเรมีคุณยิ่งล่ะถ้าเผื่อโพสทหรือพูดที่จะทําประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยตรงไม่มีความต้องการไม่มีความปรารถนานี่มันเป็นลืษีไปเลยมันเอกคน ล, ละลัทธิลทัทธิพุทธนี่ไม่ได้ทิ้งประโยชน์ท่านประโยชน์ตนได้หมดแล้วก็ต้องทําประโยชน์ท่านสนับสนุนสนองเป็นคุณแก่โลกอยู่เพราะฉะนั้นในสายตราคะโคตรหรือโลภโคตจึงไม่เหมือนโทสะโคตรเพรา ะ, ะอาตมาว่าอาตมาชับ ในประเด็นนี้นะอาตมาก็เคยพูดอยู่เสมอว่าความไม่ชอบใจหรือว่าความไม่ยินดีไม่ความไม่รู้สึกอึดอัดขัดเคืองอุปย่าตอะไรก็แล้วแต่ในใจเนี่ยอย่าให้มีเลยไม่ว่าใดๆไม่มีข้อแม้อาตมาก็เคยใช้แต่ราคโคตรโทสเอโลพัโคตรความปรารถนาเนี่ยความต้องการเนี่ยต้องการที่จะสร้างสรรค์ต้องการที่จะทำเจ้าการที่จะ ใครจะเป็นจะมีอะไรนี่มันไม่แก่ตัวแล้วมันแก่ผู้อื่นเนี่ยมันเป็นแต่ในโทสะโคตรไม่ต้องเลยไม่มีข้อแม้ใดๆไม่ให้คุณทั้งตนและท่านเพราะฉะนั้นใครรู้สึกตัวเองมีตัวนี้แล้วก็จับใจให้ได้จับจิตดูให้ดีเลยนะการไม่ชอบใจกับใครอะไรยังไงเนี่ยทารู้อาการของจิตตัวเองแล้วทุกเมื่อไม่มีข้อแม้ kick it out เตะมันออกนี่สำนวนอาตมาพาก็ใช้อย่างนี้เสมอไม่มีข้อแม้เอามันออกเลยจะแรงจะเบายังไงก็ตามแต่ถ้าใครก็บอกว่าเอเตะมันไม่ออกจะบอกมันออกดีๆมันออกก็เอาตามใจคุณใครอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้บอกไม่เตะมันออกมันไม่ออกมันดื้อแต่เราบอกว่าเฮ้ยออกดีๆนาเออมันออกแค่เออก็ทําแบบนั้นนะแต่อาตมาคิดว่าใช้คิกอิจเอานี่มันจะชัดกว่านะ บอกว่าเอามันออกไปเลยเจ้าคุณนอใช้ get it out นะท่านพระยาอาตมามันไม่ใช่พระยาแต่มันก็ไม่ถึงไพร่หรอกนะแต่พระพุทธเาท่านเรียกไพราอาตมาฟังไม่ออกตอนแรกแนะต่ตอนหลังถึงรู้ว่าท่านหมายถึงคำว่าไพร่ท่านบอกไพร่ มันต้องไม่เป็นไพร์ต้องเป็นผู้ดีนะอะไรอัตมาฟังตอนแรกฟังไม่ออกไอ้ท่านว่าอะไรไพรนะ์ที่จริงก็คือขความเป็นไพรนะ์ไม่ใช่ไพรนะ์อัตมาไม่ใช่พระยาแต่ก็ไม่ถึงไพร์หรอกนะก็เป็นผู้ที่ปานกลางนะธรรมดาธรรมดานะและตมาก็คิดว่าที่ใช้สื่อแม้คำอย่างนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเป็นํารหยาบไรลอกหรือเจตนาโดยความหมายที่ผสมสังเคราะห์เป็นยานะ ก็ใช้อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของยาเป็นธาตุประกอบยาคลายๆยนันผสมผสานให้คุณไปรักษาตัวเป็นสื่อเป็นกรรมฐานเป็นความนึกคิดเป็นตัวหลักปัญญาความหมายแล้วก็เอามาไวส้สำหรับใช้รักษาตนแล้วก็หนึ่งที่จะแก้มานะสำคัญเนี่ยการพยายามขจัดรู้ตัวในจิตเมื่อเวลาเรากระทบสัมผัส กับมนุษย์บอกแล้วว่ามนุษย์นี่แหละตัวที่จะก่อมานะให้แก่เราดีนักสัตว์ต่างๆมันไม่เก่งหรอกแต่มันก็มีเหมือนกันนะให้ก่อมานะเหมือนกันนะแล้วมันก็แก่ลำเราไม่ได้ด้วยเช่นเราไปใหญ่ข่มมันข่มสัตว์นี่นะเราไปใหญ่ข่มสัตว์นี่สัตว์มันก็มีเหมือนกันนะมันก็มีมาน่าถือตัวบ้างเหมือนกันนะสัตว์บางสัตว์เนี่ยแต่มันก็ไม่เก่งเท่าคนร ถ้าทําให้เราหลงตัวเมื่อสัตว์บางตัวยอมพอยิ่งยอมเราก็ยิ่งมีมานะเราคนนึกว่าเราเบ่งเราใหญ่หญก็หลงดีไว้ได้เหมือนกันแล้วกลายเป็นมานะที่เราไม่รู้ตัวแต่เอาเถอะกับสัตว์ก็แล้วไปแต่กับคนน่ะย่ากนะไปเจอคนบางคนก็นะี่ยย่ำใจเนี่ยคนเหมือนกันเราเคยทํำกับคนอย่างนี้ได้ไปทำกับคนบางคนแล้วเราวังไม่รู้ตัวโดนลูกตอบ ล, ลูกตอบลูกตอออกมาไม่รู้ตัวแล้วบางทีพระลูกตอบของเขาออกมาในตัวเองก็ไม่แข็งพอไม่ได้เป็นภูเขาหินตายสลบสไลด์ได้นะอย่างนี้เป็นต้ น, นขณะ น, นี้พวกเราได้ทดสอบมีการงานมีสิ่งแวดล้อมเพราะพวกเราก็ระมัดระวังตนผู้ใดรู้สึกตัวว่าเออเราทําการงานนี้สิ่งแวดล้อมทั้งผู้คนและกิจกรรมต่างๆเนี่ย เราทำไม่ได้มันแรงลักเกินเราเองเราไม่มีอินทรีย์พละพอสู้ไม่ได้อันนี้เราจับจิตจับใจเวลาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าตัวเองขาดทุนมากกว่าได้กำไรก็ให้เรามัดรระวังเรามีการงานหลายระดับเรามีสิ่งแวดล้อมหลายระดับมีสมรภูมิที่เราจะเข้าไปรบมีสมรภูมิที่จะเข้าไปรบหลายที่หลายแห่ง หลายหลายสมรภูมิสมรภูมิเข้มข้นก็มีสมรภูมิกลางๆสมรภูมิที่อ่อนๆมีอย่ามีมานะหลงตนเราต้องรู้ชัดอัดตันญยู่ตาตรวจตัวตรวจตนตรวจตัวตรวจตนให้รู้ของจริงความจริงของเราว่าตัวเราเท่านี้นะน้อยไปก็เป็นมานะนะที่จรงเราก็จะอยู่สมรภูมิขนาดนั้นแรงน้อย แต่รู้สึกว่าแรงแล้วเราเองเราไม่ไม่กล้าสู้นี่ก็เป็นการฟอร์เป็นคนมีมานะอย่างหนึง่งไม่สมสัดส่วนไม่มีสัมมาไม่พอดีก็ไม่ได้คุณพอดีนะมันก็ได้ดอยไปน้อยไปแล้วก็หลงตัวไปทั้งความหลงทั้งผลที่จะได้น้อยก็กลายเป็นเสียได้ผลผิดเพราะว่าต้นเข้าความ โจดตัวตั้งของตัวมันก็ผิดบางเวลาทําอะไรแต่ใดบางเวลากระทบสัมผัสรู้สึกอะไรแต่ใดก็ไม่ค่อยตรงมันไม่ลงตัวดีทีเดียวมันซับซ้อนอย่างเทว่วิชิแม้แต่พูดอย่างคณิตศาสตร์เขาก็โจดตัวตั้งตัวเลขตัวตั้งมันก็ผิดแล้วนี่มันบอกเราคูณหารองไงออกมามันก็ต้องเพี้ยนแน่มันไม่ตรงทีเดียวหรอกยิ่งผิดมากก็ยิ่งมีผลผิดมากแหละยิ่งเข้าใจตัวเองผิดตัวเองสูงในขนาดฐานฐานะ สแล้วก็ไปอยู่ในภูมิสมรภูมิที่เรานึกว่าเราตัวเองมีฐานะสองนี้เป็นต้นหรือมีฐานะหนึ่งี้ค่าของความจริงแห่งอัตตันยุตามันผิดไปแล้วก็ทำเพี้ยนนะเพราะว่าไอ้ที่เรามีจริงเนี่ยมันเป็นค่าที่ลบตัวเองอยู่ในตัวอยู่ด้วยอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเพราะงั้นถ่านบอกว่าระมัดระวังมานะนี่ลึกซึ้งมากมายเราหลงผิดว่าเราสูง แล้วก็มาประหลงว่าตัวเราต่ำก็ก็เสียแต่น้อยหรอกคนที่สูงแล้วก็หลงตัวว่าต่ำนี่น้อยหรอกส่วนมากนะ่มันตัวเองต่ำนึกตัวว่าตัวเองสูงนี่ระวังตายตกคอช้างคอมา้ามาเยอะแล้วบางคนเน่ลงจากหลังช้างหลังม้าไม่ได้เขาเรียกว่าลงจากหลังเสือไม่ได้ ตายตกคอเสือตกหลังเสือมาเยอะแล้วไม่ใช่ท่าเพียงยางนะหมดท่าไม่รู้ออกหัวออกก้อยลงมาเยอะแล้วนะเพียงยางก็ไม่ได้นะบางคนก็เก่งนะเพียงยางลงมาได้จากหลังเสือจากหลังช้างหลังมา้านะกงยงก็ยังน่าดูบ้างนะแมก็เพียงยางออกมาท่านี่น่าดูกันนะนะก็มีให้เห็นนะดูไม่เบื่อ ไม่ต้องไปเสียสตังดูเพียงยางก็หรอกดูที่นี่ดีกาลีลาเขาร้ายน่ะดีดูดีดนะพูดอย่างนี้เหมือนไปดูถูกดูแคลนแต่ว่าก็พูดเป็นเชิงที่ให้เห็นว่ามันไม่งามนักหรอกนะถึงบอกว่าลีลาเขาร้ายนี่มันก็ไม่ได้งดงามหน้าดูอะไรหรอกผู้รู้ท่านรู้ผู้เห็นท่านเห็นนะ ว่าในเรื่องมาน้นี่มีการศึกษากันอยู่หรือเมื่อเรามียิ่งมียันย์พิธีหรือมีการงานหรือมีอะไรมีพูดแนะผูดเตือนกันชี้บอกว่าระวังอย่างนั้นระวังอย่างนี้มันเกิดจากภัสสะเกิดการอยู่กับคนเพราะคนมีจริตมีลีลามีมากอย่างที่จะให้ทั้งประโยชน์และโทษแก่เราเพราะเราก็ต้องเท่าทันรู้เท่าทันพยายามที่จะศึกษาปฏิบัติประพฤติกระทําให้ตนเองสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เราจรึงจะได้สํารอกแม้แต่สังโยชน์สูงถึงขั้นข้อที่8ปนี้มานะแล้วก็ขอย้ําอีกซ้ําอีกว่ามานะไม่ได้มีที่พระอนาคามีฐานสังโยชน์สูงเท่านั้นนะมานะมีตั้งแต่ปุตุชนบอกแล้วทั้งมากทั้งหยาบเยอะแย ะ, ยะอยู่ในนั้นเสร็จมีต้องล้างออกมาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ก็จะเป็นโสดาบันก็ต้องล้างมานะเป็นโสดาบันแล้วก็ต้องล้างมานะเป็นสกิทาคามีแล้วก็ต้องล้างมานะเป็นอนาคามีก็ต้องล้างมานะอีกอยู่นั่นเองส่วนกามที่ว่านั้นกามราคะอะไรนี่เป็นปุถุชนล้างเป็นโสดาล้างเป็นสกิทาล้างเป็นอนาคาก็ไม่พูดแล้วไม่ไม่ถือว่าเป็นกามของพระอนาคามีเพราะสังโยชน์ ที่ท่านใช้ภาษาหลักสังโยช์กามราคะหมดสําหรับพระอนาคามีอย่างนี้เป็นต้นแต่มันยังเหลือมานะนะหรือเศษเสี้ยวอะไรอะไรบ้างลีลาหลายทีจะเรียกมันก็ไม่ชัดนักจะเรียกเป็นกามอะไรมันก็ไม่ชัดนักจะจึงมาเรียกรูปราคะอรูปราค ะ, ะท่านถึงมาเรียกเช่นนั้นเพราะงั้นฐานมานะที่พูดขึ้นถึง นี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สอดคล้องกับงานมหาปรวรณาของเราที่เราได้จัดการทำไปตั้งแต่หลักเลยทีเดียวตั้งแต่นักบวชซึ่งเป็นฐานของการาศาสนาของเราขอพยายามที่จะเอาจริงเรียนรู้จริง ทำความจริงโดยที่จะประรวมนี่อัตมาเล่าสู่ฟังก็ได้ว่าให้มาเปิดใจไม่ใช่ประวรณาอย่างที่ทําแค่พิธีบอกแล้วเปลงกันแค่แมสังกรรมปันเตปวารเรมิปวารเรมิคือคือปรวรณาโอคแค่นั้นแค่นั้นแล้วก็กล่าวกันไปกราบกันทิ้งพูดเป็ภาษาบาลีบางคนก็ไม่รู้ภาษาบางคนไม่รู้ความหมายว่าอะไรท่องคลองปากเสร็จแล้วพอเป่งไปแล้วก็ไม่ได้จริงจะท่วงจะติงติกันนิดหน่อยก็ไม่ได้ แล้วผู้ที่จะทวงก็รู้เลยนะว่าเขาไม่ได้บอกจริงรอกมีอนุญนีกน้ก็ไม่กลา้าทวงไม่กล้าทําเราจรึงมาทำให้มันจริงเพราะเมื่อว่าอยู่รวมกันแล้วมากหน้ามากตาเนี่ยมันจะมีฤทธิ์มีแรงเหมือนมีกรรมการอยู่ในหมู่เพราะเวลาประชุมนี่เหมือนมีกรรมการอยู่เ น, นีบางทีเราจะชงชางอะไรขึ้นมามันอายเหมือนกันนะเพราะะนั้นมันทําอะไรไม่เคยได้ยิ่งเรารักดีเรารู้ ธรรมะกันด้วยนี่มันระวังไม่กล้าชงช้างง่ายหรอกมันจะสังวรสัมรวมเพราะบางทีจะยิงกันแรงๆได้ในขณะเวลาเช่นนี้เจ้าตัวก็เปิดเผยกันจริงๆอ๋อภาวนาแล้วนะนี่รู้กันนะวตารนานะอ้าววรานะทุกคนเป่งแล้วนะยังจะมาพาพระธรรมนี่เดิมต้นก็เป่งประวัต ไปภาวนากันเป็นภาษาบาลีเลยบอกครั้งนะใช้ภาษาพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นกันพร้อมกันหมดทุกคนภาวนาแล้วจ้าทีนี้ก็จวกพอภาวนาแล้วก็จวกกันไปจวกจริงๆใครมีอะไรเอามาพูดตอนนี้ให้แรงก็แรงเพราะเป็นโอกาสให้ชินให้จริงใจพยายามจะว่าสอนสอนสอนให้จริงใจเปิดเผยใจทําใจอะไรทําแต่แต่อัตมาทำตัวเป็นตัวอย่างวางใจ น้าชื่นตาบานอยาให้เกิดอารมณ์เขาจะจวกแรงยังไงต้องตั้ ง, งรับแล้วก็สังเกตสังกาฟังให้ใจวางใจว่างแล้วมันก็จะได้รับรู้ความจริงแล้วเอามาใช้จริงๆเอามาปรับปรุงต้นเมื่อทำกันอย่างนี้เป็นขี่ขั้นจริงแล้วมันก็จะจริงไปเรื่อยๆมันจะเกิดเห็นผลเห็นประโยชน์ เมื่อเห็นผลเห็นประโยชน์แล้วต่อต่อไปไม่ต้องถึงกับมีกรรมการมากมายอยู่ตัวต่อตัวก็สามารถติติงกันได้การ ต, ติติงเป็นกลุ่ทรัพย์อย่างเอกซึ่งเราก็ได้ศึกษามารพระพาเขาตรัสไว้ชัดเจนนะเตือน ก, นนกนันไม่เตือนกันเพรามันไม่มีการดีละคุณเน้อเพราะงั้นไอ้การที่ลงโทษกันสูงสุดคือหยุดเตือนกันพรหมทันคุณจะดีจะชั่ว ย, ยังไงฉันไม่เกี่ยวกับแก แกจะชั่วเร็วเห็นหลัดหลัดตำตาเราก็พรหมทานเราก็ไม่อุเบกขาเราก็ไม่เอาภาระคุณแล้วไม่เมตตาคุณเลยแล้วไม่ทําอะไรกับคุณคุณจะชั่วจะตายจะเป็นจะเน่าลงไปต่อหน้าต่อตาเฉยไม่มีเมตตาคุณสักนิดเลยพรหมทันนี่แต่เฉยกับเฉยวางกับคุณ ไม่ช่วยคุณและจึงเป็นสภาพที่ลงทนลงโทษแรงที่สุดในศาสนาพุทธคุณฟังความข้อนี้ให้ดีๆฟังปรัชญาอันนี้ให้ดีๆคุณจะรู้ว่าแม้หลักการลงโทษอ้หิงสาธรรมเนี่ยมันขนาดไหนมันกลับกับทงโลกเขาเพราะฉะนั้นการตีกับคุณเนี่ยการอาตมาพูดแรงพูดว่าอะไรๆเนี่ยเมตานะ เมตตาเนะี่ทำไมเมตตาแล้วก็แล้วนะเพราะว่าแรงว่าเบาว่าขนาดนั่นขนาดนี้เป็นการประมาณเป็นการคำนวณ ว, ว่าจะใช้ขนาดนั้นขนาดนี้ดีไหมถ้าอย่างนี้ก็ใช้ไปรีลานี้แล้วรีลานี้รีลานั้นหลายลีลาแล้วหมดท่าแล้วหมดท่าแล้วอันนี้ทำอะไรไม่ได้เหลือท่าเดียวพรหมทันรู้เองเห็นเองเจอเองกันแล้วก อยาให้เราไปร่วมด้วยเลยเราร่วมด้วยมันก็ไม่ดีอย่างพระพุทธเจ้าพรหมทันใครเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านท่านหมดปัญญานะแต่เป็นวิธีการอันหนึ่งของท่านแม่ที่สุดเป็นวิธีการของสงฆ์ถ้าสงฆ์ลงพรหมทานละคุณเอ้ยยิงหมดท่าเลยแม่ทุกคนเลยนะพรหมทันหมดทั้งสงฆ์เลยนะระวังนะใครไปทําตนได้สงฆ์ปลงพรหมทันหมด ทุกองแล้วก็เสียวซึ้งนหละฟังแล้วเสียวซึ้งให้ได้นะฟังแล้วเราเสียวซึ้งให้ได้ถ้าเพร่ะว่าท่านลงพรมทันหมดก็คุณก็เสียวซึ้งแหละตอนนี้ไม่ต้องผุดต้องเกิดแล้วซีดเสียวอยู่ตรงนั้นนี่ อาการช่วยเหลือกันในระบบของพระพุทธเจ้าจึงเป็นระบบที่จะต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็ได้อธิบายคําว่าอุเบกขาด้วยความหมายหลังความหมายยอดไอฟังแล้วความหมายวางง่ายๆนั้นนะมันไม่ยากรอก้องใครก็รู้อยู่แล้วพื้นฐานนะวางปลอยแล้วก็ไม่เอาไม่ไม่เกี่ยวอะไรวางเฉยอไอนันเป็นความหมายพื้นฐานส่วนความหมายลึกซึ้งที่มีลักษณะ5องค์5ของอุเบกขา มีการงานมีความบริสุทธิ์อยู่พร้อมพรังมีผลยอดแม้แต่การงานก็เป็นการงานที่กระทำไปอย่างได้ดีเลยสละสลวยมีความรับรู้มีความเอาใจใส่มีความแวววายความเฉลียวฉลาดอยู่นี้นั้นเสร็จไม่ใช่ว่าความไม่รู้อะไรไม่เอาฐานใลยตัดปล่อยช่างแก่ช่งหัวแกเ่เฉยเฉยไม่ใช่อุเบกขาไม่ใช่พรมทานตอให้ดีนะอุเบกขาไม่ใช่พรมทันนะพรหมทา น, ทนะชังหัวแก่ ไม่เอี่ยวไม่เกี่ยวแต่อุเบกขาไม่ใช่ช้างหัวแก่อุเบกขานี่โดยในยะชั้นสูงและไม่ใช่จังหัวแก่เอาภาระช่วยเหลือจนกระทั่งเขาได้ดีแล้วเป็นมุติตาแล้วก็ยินดีตามแล้วก็ตัดตนไม่ต้องเป็นหลงดีนั้นแม่เราจะได้ช่วยเหลือหรือแม้แต่เขาจะดีก็สมส่วนของเขาแล้วเราก็หยุดต่างคนต่างสบายแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาไม่ได้ดียังมีเมตตาเอะจะช่วยยังไงด้วยซ้ํา ัวมหมดแล้วก็พยายามหาทางช่วยแหววไว้ใช้ปัญญ า, าใช้ความแคล่วคล่องของจิตฉลาดเฉลียว เ, เพื่อที่จะช่วยหรือคือกุกนกันไม่ใช่หมายความว่าใจดำํำอุเบกขาไม่ใช่ใจดําแต่พรหมทันมันค่อนมาทางใจดําล้พรหมทันค่อนมาทางทางใจดําแต่อุเบกขาไม่ใช่ทางใจดํานี่เป็นนายะละเอียดนะเราก็จะต้องรู้ลึกซึ้งซับซ้อนพวกนี้ให้ชัดเจน อาการกระทำการงานหรือการกระทากิจกรรมการกระทาพิธีกรรมการกระทาอะไรอะไรก็ต่างๆนานาซึ่งเป็นความฉลาดของมนุษย์ที่มนุษย์ได้พากันสร้างสร้างวิธีการหรือสร้างพ่อแม่หรือสร้างแบบพิมพ์สร้างกรรมฐานสร้างอะไรเรียกกันอีกซึ่งเป็นคำคล้ายคำขยายถ้าเข้าใจแล้ว เพื่อที่จะให้เกิดการปรับเกิดการอบรมเกิดการกระทําให้พวกเราได้ปรับปรุงกันได้แก้ไขกันได้พัฒนาขึ้นมามโดยเฉพาะจิตปัญญามันไม่ไม่เฉดตัวเฉดตนจับตัวมันยากจึงเป็นวิธีการที่มากต้องมีวิธีการต้องมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะที่จะมากระทําแก่กันและกัน นี่เป็นรายละเอียดจนทําให้คนเข้าใจผิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมีหลายทางมีหลายอย่างเนี่ยเพราะว่าเรามีวิธีการมีโนโนมีนี่หลายแบบหลายอย่างหลายรูปหลายท่าหลายทีซึ่งที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่หลายทางประเดี๋ยวมันจะไปค้านแย้มมันจะไปสวนทาง ก, กันกับคำว่ามีทางเอกทางเดียวทางนี้ไม่มีทางอื่น มรรคองแปดทางนี้ทางเดียวที่เอามายืนยันแต่เส็จแล้วเรามีรูปแบบมีวิธีการมีโนู่นมีนี่อะไรอะไรต่าง ๆ, างๆนานาเยอะแยะอันนี้ต้องพยายามระลึกครูเข้าใจความหมายยอดพฤติกรรมยอดของมรรคองแปดให้ได้ว่าอย่างไรมรรคองแปดนี่มันเป็นความหมายยอดที่รวมหมดเลยว่ามีทุกทุกอย่างทุกรูปแบบให้ได้ครบแต่เวลาปิดย่อยก็มีบ้างนะ แต่ระยะทุกรูปแบบนี่คือว่าจะต้องมีทั้งการคิดมีทั้งเวลามีพูดมีการกระทําการงานอย่างที่ได้แนะนําเสมอแล้วก็ทําให้ได้มากที่สดุดอาชีวะอยู่ในชีวิตของเราใหใ้ในชีวิตของเราให้มากที่สุดที่ได้นะมีสมาวายามะมีความพยายามมีสมาสติเป็นตัวหลักก็คือสติปัฏฐานเมื่อขยายใหญ่สมาสติก็คือสติปัฏฐานสมาวายามะก็คืออิทธิบาทเมื่อขยาย ก็กระทำกันไปให้จริงๆเลยพยายามกันจริงๆเลยสัมมาวายามะนั่นนะ่ะทั้งหมายถึงอิทธิบาทและหมายถึงสมปทานด้วยะะนะส ม, สมะปทานเลยสมสมปทานสี่ก็อิทธิบาท4ี่นี่เป็นสัมมาวายามะที่จะช่วยขัดเกลาปรับปรุงเรียนรู้ไปจริงๆกระทำกันไปจริงๆาตามปัญญา ที่มีหรือตามทิฏฐิซึ่งได้อธิบายย้ำให้ฟังแล้วว่าทิฏฐิมันคืออะไรแล้วเมื่อเราเข้าใจสภาพของมัจคงแปดได้ถูกเรื่องแล้วต้องทําให้ได้ครบมากที่สุดเป็นองค์แห่งมัจเป็นองค์แห่งมัจอย่างเมื่อวานนี้ได้กําชับกระช้าแล้วว่าสมาธิที่เป็นอนาสะวะนั้นเป็นอย่างไรก็ก็ระทำว่อตรวจสอบได้ว่ามันเกิดปัญญาปัญญิีสี ปัญญาผลมีธรรมวิจัยสมโพธิชงและก็มีสมาธิติสั่งสมสมาธิติขึ้นมาเรื่อยๆๆๆๆก็คือปัญญาตั้งแต่สุตะจินตาจนภาวนาที่ยังไม่ครบจนมีภาวนาเมยปัญญามาเรื่อยจนสูงขึ้นก็เรียกว่าสมาธิติที่จริงและก็ต้องเป็นองค์แห่งมรรคคือครบองค์แห่งมรรคทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรกระทบสัมผัสอย่างไรอย่างไรอย่างไรอย่างไร ก็ทำได้หมดที่พูดนี่เพื่อที่จะกับชับกําชาให้เห็นว่าลักษณะขององค์แห่งมรรคที่เป็นสภาพสมบูรณ์เป็นลัทธิของพุทธเพราะเราปฏิบัติทำถ้าไปเอาแต่แหวงๆอยู่ในฐานเดียวมีแต่การอยู่กับจิตไม่มีทั้งการกระทาสัมผัสทางกายไม่มีทั้งวาจาไม่คิดนึกก็ น, น้อยหรือว่าเอาละอันนั้นก็ต้องคิดนึกอยู่แน่ เอาแต่นั่งดูแต่จิตแล้วก็คิดทึกอยู่แต่ลำพังตนมันไม่ใช่ครบทางนะและเราก็มีบ้างอุปการะเวลาที่จะอยู่กับจิตอย่างที่เรามานั่งปฏิหาในการตื่นกันนี่หรือว่าจะเรียกเจโตสมถ์ก็ตามหรือเวลาหลายเวลาที่อาตมา ก, ก็แนะนำบอกเวลาอยู่คนเดียวจ่ต้องพยายามทบทวนใช้สภาพแต่วิชโชสภาพทำจิตของเรา อานจิตดูจิตหรือว่าระลึกย้อนทําอะไร อ, อะไรมันก็มีแต่จิตมีสังขปะวาจาไม่มีกายกรรมก็ไม่เกี่ยวนักอนี้เป็นต้นก็ทําก็แนะนําอยู่แล้วครบครันซึ่งเป็นปีจ้อยประกอบกันแต่เมื่อจริงแล้วมาต้องครบองค์แห่งมรรคทั้งหมดทุกด้านเราก็ครบครันสบายพรั่งพร้อมสมบูรณ์มีปัญญาปัญญินีสีปัญญาผลรู้แจ้งมีทำวิจัยชัดวิจัยว่านี่เป็นกุศลนี่เป็น อกุศลอกุศลหรือว่าบาปไม่มีดับสิ้นอาการณังไม่มีเลยนะไม่มีการกระทาในส่วนที่เป็นอกุศลในส่วนที่เป็นบาปในส่วนที่ไม่ดีไม่มีจริงๆเกลี้ยงแต่ส่วนกุศลเราทำอยู่ยังไห้ถึงพร้อมอยู่และใจของเราก็ไม่มีการเห็นแก่ตัวไม่มีการมุ่งหมายปรารถนาทำอะไรมาเพื่อตัวบริสุทธ หมดตัวหมดตนแต่สร้างประโยชน์ท่านเพราะการจะมาสร้างประโยชน์ท่านนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเดี๋ยวเราไปทําให้แก่ตัวหมดซะก่อนแล้วเราจะมาสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านมันไม่ง่ายนะคุณไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายหรอกเรานึกว่าเร า, เราแข็งแรงแล้วเราแข็งแรงคืออย่างนี้เราจะยกตัวอย่างให้ฟัง พักทองนี่นะเถามันเท่านี้นะเสร็จแล้วเวลามันมีลูกนี่นะไปอยู่ที่บนร้านนะมันมีลูกเล็กแล้วมันก็จะไอ้เท่ามันเนี่ยมันก็จะรู้ว่าพลังงานมันก็วิ่งนะมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยมีลูกแล้วนะแล้วลูกมันจะโตออกโตออกพลังงานมันก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยลูกก็โตมีน้ําหนักแล้วนะ พลังงานมันก็จะทํางานของมันโดยอัตโนมัติของมันเองแม้แต่แค่พืชนะมันจะทํำจนกระทั่งมันจะสามารถจะทำยังไงที่จะรักษาให้เจ้าเนี่เจ้าลูกนี่มันโตขึ้นโตขึ้นมีน้ําหนักมากเนี่ยอยู่ได้เราจะเห็นได้ว่าฟักทองเถาแค่นี้นี่นะแล้วมันจะมีทุกส่วนเลยมันจะมีทั้งลูกต่อลูกใกล้ลูกไกลมันมีปฏิพานของมันไม่ใช่ปฏิพานเราเป็นธรรมชาติของมันเหมือนกันพลังงานมันก็จะ ไปได้เยอะมันจะกระจายพลังงานหรือกระจายสวนที่จะช่วยอุ้มชูสิ่งนี้ได้จนกระท่งฟักทองลูกเทนีเท้าเทนี้นนอยู่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าไม่เช่นนั้นถ้าคุณจะลองเอาฟักทองนี่นะลูกเทนี้นะเข้าไปที่เถ้าไหนก็นแล้วแต่นะนะไปผูกให้ดีเลยนะตรงนี้นะแล้วจะห้อยไว้นะผูกเสร็จแล้วเอาอะไรรองไว้ก่อนนะรองเอาอะไรรองไว้ดีแล้วผูกให้ดีในเถาตรงนี้นะ แล้วคุก็ยกไอ้ที่รองนี่ออกนะพักทองลูกทุนนี้ปล่อยคุว่าจะอยู่ไหมจะอยู่ไหมไม่อยู่อะ่ะพักทองนะั้นดึงเถานั้นคลูกลงมาหมดเลยยิงไปเจาะเอาไว้เลยนะเจาะเทามันแล้วก็เอาผูกเนื้อนฉะีกเลยเทานั้นฉีกฉีกเทาฉีกเลยไม่อยู่ะ่ะนี่ก็ อาทาหอนหนึ่งสองคุณบอกว่าเราจะไปฟักตัวให้มีกําลังมากซะ ก, ก่อนบํารุงตนให้แข็งแรงเสร็จแล้วเราจะมายกน้ําหนักลุกเหล็กไปแข่งแชมเปียนโอลิมปิกคุณจะไปบํารุงตัวอย่างไรก็ตามใจเหอะแต่บํารุงให้มีกําลังให้มากแล้วกันคุณจะไปวิ่งไปอะไรไม่ได้มาฝึกยกทีละสองอันสาอันมารื่มาอะไรอะไ ร, อะไรลองวิธีการขึ้น คายกน้ำหนักได้น้ําหนักมากเนี่ยนะคุณไม่ได้ลองอย่างนี้นะแต่คุณไปเลยไปทําวิธีการให้คุณมีกําลังวังชาคุณจะไปทุบกระสอบคุณจะไปวิ่งคุณจะไปโดดเชือกคุณจะไปทําไปเลยบํารุงตัวเรียนพลังรมาแล้วมามายกน้าหนักแล้วให้ได้มากมันเคนักยกน้ําหนักที่เขายกตั้งแต่ทีละน้อยทีละน้อยยกทีละน้อยเสริมก็มีจนกระทั่งมีวิธีการจนยกได้มากที่สุดมามายกแข่งเขาคุณยกไม่ได้เองเหมือนกันนี่ก็ไปอุทาหรณ์อีกอันหนึ่งประกอบการอธิบายว่าคุณอย่านึกว่าคุณเป็น เดี๋ยวไปล้างกิเลสให้หมดก่อนแล้วก็จะมาทํางานช่วยคนจะมาสัมผัสคนแล้วจะมาช่วยคนได้มีกาลังไม่ได้เหมือนกันอย่างเนี้เพราะฉะนั้นกนารมวิธีของพระเจ้านี่มักคองแปดนจึงทำงานอย่างนี้ละ่ะสัมผัสแต่ต้องไปนี่แหละแล้วเราจะรู้ลีลาต่างๆในยะคล้ายกันกับยกลูกน้ําหนักคุณไปออกกําลังกายคุณไปทำเอากําลังกายวิธีอื่นได้เยอะแยะนะแต่คุณไม่รู้หลักวิธีนี่เอ้มันท่าอย่างไงนะตั้งทางนะจะยก ความละเอียดละออยอยังไงยังไงมันถึงจะฐานนี้ึงขึ้นถึงเป็นมากที่สุดทําได้ที่สูงที่สุดมันไม่ใช่คุณมานั่งพูดเรานึกเอาง่ายๆว่ามีกำลังอวได้ทั้งนั้นอ่ะขอมีกําลังอวดทำได้ไหมไม่ไมจริงอ่ะมันมีลีลามีองค์ประกอบ ม, มีคลิกมีโมมครเมตมีแครปมีอะไรเยอะแยะแค่นี้ยังน้อยไปสําหรับที่จะมาสอนคนจะมาสัมผัสคนเราจะมาสู้กับคนเราจะมาสัมผัสจะเก่งทางกามจะเก่งทางมานะถึงจะมาช่วยเหลือคนได้ จะเห็นหทฤษฎีของพระุทธเจ้านี่เป็นธรรมชาติทฤษฎีที่เก็บละเอียดไวยะที่ทึกซึ้งว่าเราจะไปเข้าป่าก่อนล้างกิเลสให้หมดก่อนแล้วถึงจะมาสอนคนไม่ได้กินไม่ได้กินคุณจะไม่รู้เท่าทันคนเลยคนนี่เหลือร้ายละ่ะทั้งในเหลี่ยมกามและเหลี่ยมมานะไม่ไม่ได้กินน่ะออกมาเถอะมาสอนวิ่งจูดอย่างที่สายนั่งหลับทาเห็นอยู่แล้ว เข้ามาในเมืองในกรุงมาพบว่าคนได้ที่ไหนไม่ต้องเอาไกลเดี๋ยวนี้ก็พิสูจน์ได้สอนคนไม่ได้มากสอนคนไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้ไม่ทันตัวเองก็ไม่สู้ไม่ได้แล้วจะรู้เลยว่าตัวเองไม่หมดกามไม่หมดมานะแต่จะรู้หรือไม่ไม่รู้นะทางสายโน้นเขาจะรู้หรือไม่เพราะทฤษฎีเหล่านี้อัตมาพยายามที่จะพูดจะพยายามแนะนําบางคนมันยึดถือว่าเอ๊ะต้องทําอย่างที่เราคิดเห็นนี่แหละ อาตมาว่าไอ้อย่างที่คิดเห็นอย่างนั้นอาตมาก็คิดได้อาตมาก็รู้อย่างนั้นอาตมาก็เข้าใจแต่ว่าอาตมาเข้าใจที่สติพระพุทธเจา้ามรรคองแปดนี่อาตมาพูดมันก็ดูถูกคนอื่นจนเขาบอกว่าแม้พระโพธิลักษรู้มรรคองแปดคนเดียวหรือไงจนเขาว่างั้ย น, นะเดี๋ยวนี้ข้างนอกข้างนอกเขาว่าเงี้นแต่พวกคุณกบางคนก็อาจจะนึกเหมือนกันนะจะว่าทำมทำเป็นรู้เราก็รู้เหมือนกันแห ล, ละมรรคองแปดพูดนี่ก็มาเราก็จะเข้าใจทั้งนั้นแหละ อาตมาพูดไปเท่าไหรเท่าไรก็เข้าใจเท่านั้นนึกบรรลุคนเดียวมันมีลึกซึ้งหรือเปล่าที่อาตมาแต่ละทีแต่ละทีที่อธิบายเรื่องมรรคองแผ่ให้ฟังเนี่ยมันมีอะไรลึกซึ้งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเปล่าฟังดีๆเพราะนคนที่ยังไม่มั่นใจยังไม่เข้าใจสภาพพวกนี้เนี่ยก็น่าสงสารเท่านั้นอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ได้แต่น่าสงสารมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเพราะทิศทางที่พระเจ้าท่านทานี่ครบแล้ว คิดก็ด้วยพูดก็ด้วยการงานก็ด้วยต้องทำไม่ได้เป็นชีวิตเป็นอาชีวะเป็นส่วนมากส่วนใหญ่ของเราเป็นชีวิตเลยเมื่อได้เมือ่อใดเราก็ได้และเราทำอยู่นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีวิธีย่อยที่บางทีเราปีกอยู่เดียวบางทีเราก็ปรากไปบางทีเราก็ทำไม่นอนบ้างทำแต่ทั้งจิตทำทั้งกายด้วยบ้างทำทั้งวจีบ้างอย่างเดียวหลายอย่างสองอย่าง3อย่างผสมกันบ้างมีอยู่ทุก ทุกๆอย่างทุกๆอันอยู่แล้วแต่รวมแล้วมันก็ผสมผสานอยู่ในนี้หมดเป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะชํารอกชากําแรกชําระอยู่ในองค์ธรรมมรรคองแปดนี้ทั้งหมดมันจะมีอย่างนี้แล้วเราก็มีสตินี่เป็นหลักสําคัญนะรู้ตัวทุ่มพร้อมและรู้ขอบเขตขนาดของเราอันนี้สําคัญตรงที่ว่าศีลศีล ตั้งสมาทานศีลของเราหรือกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติตามฐานของเราจนเข้าไปตั้งมัน่นหรือจนจากกายวาจาถึงจิตเรียกว่าสมาธิถึงจิตฟังดีๆนะเงื่อนไขของสมาธิหนึ่งถึงจิตอสองตั้งมั่นนี่เป็นเงื่อนไขสาคัญของคาว่าสมาธิเพราะเราทำไม่ได้จนกระทั่งเราจากกายก็เราบอกแล้วว่าอบรมกายอบรมวาจาก็ต้องจิตด้วย จนถึงจิตที่ละเอียดเห็นชัดว่าจิตของเราแข็งแรงตั้งมัน่นกระทบทางกายตท่านี้ทางวาจาเท่านี้เราก็แข็งแรงแม้แต่ในจิตละเอียดเราก็มีปัญญาเห็นจิตละเอียดของเราก็เป็นลึกซ้อนมีปัญญาเข้าใจว่าเออละเอียดนะแยบคายนะจนกระทั่งไม่มีการเคลื่อนการไหวการกระเพื่องฟูฟองละเอียดพร้อมมั่นคงนะ นี่ตอนนี้ได้ได้ทีเดียวแม้ตอนนี้ล้มตอนนี้ตั้งไข่ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินอยู่เรืยจนตั้งไข่ได้ตั้งมั่นได้แข็งแรงได้คุณก็จะต้องเข้าใจว่านี่เกิดสมาธิแล้วมีปัญญาตัวรู้นี่รู้รู้ตัวรู้ตนรู้รกรรมกิริยารู้ความได้ความไม่ได้ชัดเจนนะรู้ชัดอย่างนี้จริงๆเพราะหลักศีลสมาธิปัญญาจึงไม่ไม่ใช่เรื่องตื้นเขิน เขฟังเขาจนกระทัางบอกโอ้ใครเกิดม า, าศาสนาพุทธก็ได้ยินศีล ส, สมาธิปัญญามรรคองแปดก็ได้ยินได้ยินนั่นแหละแต่มันไม่เป็นมันไม่ได้แล้วมันไม่เข้าเรื่องแล้วเมื่อคุณศึกษาอัตมาไปศึกษาไปคุณจะรู้เลยว่าในอนาคตรหรือตั้งแต่อดีตที่มันเป็นมาที่มันเพี้ยนและมันก็ไม่เป็นไปตรงตามมรรคองแดหรือไม่เข้าหลักของศีลสมาธิปัญญามาเนี่ย คุณจะรู้ตัแต่อดีตคุณลองทบทวนดูสิแล้วมันก็ยังพูดกันอยู่มรรคอง8ดพูดกันอยู่ศีลสมาธิปัญญาแต่ตื้นเขินเห็นไหมมันไมไ่เต็มตรงหรอกเรารู้เลยว่าเราปฏิบัตินี้โอ้โหอย่างนี้เฉลิ้เหรอศีลศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เฉลิ้เหรอมรรคองแปดต้องปฏิบัติกันปานนี้เฉลิ้งต้องทำนี้เฉลิ้แล้วก็ทานั้นบอกเฮ้ยสัมมาวจิมาพอดีพอดีอดแล้วพอดีอะไรเลยเป็นหลักไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นต้องรู้ตนตนสมาทานศีลเท่านี้เอาอาธิศีลขึ้นมาได้แล้ว้วก็อธิศีขึนไป นี่เราได้แล้วนะดังพอตั้งมั่นแล้วนะแข็งแรงพอได้แล้วนะเพิ่มศีลได้แล้วนะเพิ่มขึ้นไปถ้ายังไม่เพิ่มก็จะเพิ่มอย่างนี้ยังไม่เอานี่สูงไปยังไม่ผิดฐานเราแต่ก็อยู่นี่หลาอยู่ด้วยกันนี่แหละโสดาสกิทานาคาเขอยู่ด้วยกันนี่แหละโดยเฉพาะอัตมาได้ยกให้เห็นว่าแม้คารวา่าคารว่าเขาไปไหนเขาปฏิบัติตนเป็นโสดาสกิทานาคาอยู่นี่นี่แหละทํางานทําการอยู่นี่แหละมีสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นี่แหละไม่ได้วิ่งหนีเข้าป่าที่ไหนไม่มี พระพุทธเจา้าไม่เคยชี้ไม่เคยกล่าวเลยแม้แต่พระท่านยังต้องเตือนเรื่องออกป่าดังที่เคยยกตัวอย่างมาแล้วแต่เมื่อชี้ว่านั่นป่านู่นเขาถ้ำลอมลอมฟางอัตมาก็เคยชี้นัให้ฟังว่าไอ้ป่าเขาถ้ำลอมฟางเนะี่ยไม่ได้หมายความว่าให้บุกป่านะแต่การปฏิบัติประพฤติแต่ก่อนนี้ป่ามันเยอะมันเป็นสำนว น, นเป็นภาษาง่ายๆธรรมดา ไม่ใช่หมายความว่าออกไปสู่ ว, วันนับปรัดไปออกไปสู ว, วันปับปฎานนี้อะไรที่เป็นป่าลึกป่าไกลอะไรไม่ใช่เอาเธอไปนั่งนู่นที่แจงลองฟงังหมูไม้ตายผมไม้ลองฟังอาตมาเคยตั้งกล้อสังเกตได้ฟังแล้วไอ้ลองฟางเนี่ยมันอยู่ที่ที่ไหนเอาดิลองฟางมันอยู่ป่าหรือมันอยู่ที่บ้านก็ทํางานมีฟางมีกล้องฟางลองฟางมันจะไปอยู่ที่ป่าที่ไหนแต่ก็คืออย่างเงี้ยไปที่ที่นั้นเนี่ยที่ก็ทที่ มีที่จะพักจะผ่อนอะไรบ้างเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าลุยออกปหาวรรณปัดนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ตั้งข้อสังเกตให้ฟังโดยในย่ละเอียดแล้วแล้วก็ไม่เข้าใจจำนวนภาษาสมัยโ น, น้นแเราวลาบลาพรมสมัยนี้เรามาเป็นคนเมืองไม่จะเป็นคนที่มีป่ามากเราก็เลยเข้าใจผิดที่จริงปฏิบัติในเมืองก็ได้ก็ตัวอย่างก็เยอะแยะในปัจจัยพิดก์นะ ในเอาสิ่งพวกนี้เข้ามาประกอบเพื่อขยายให้เห็นแนวลึกให้เห็นแนวที่ละเอียดแยบคลายขึ้นไปเพื่อที่จะได้ไม่หลงผิดนะเพราะการศึกษาโดยลัทธิของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นลัทธิที่จะต้องศึกษากันไปเราดึงสภาพที่จริงที่ถูกต้องอย่างลึกซึ้งขึ้นมาอลองกันไปปฏิบัติกันไปพิสูจน์คุณรู้จริงเห็นจริงได้จริ ง, รงคุณก็จะเชื่อความจริงอันนี้ไม่ใช่เชื่อธรรมะเพราะอย่ารีบร้อนอย่า อย่าอยากอย่าอยากเป็นมานะอวดดีมีดีและอวดดีเป็นสาเถอยะอยากโออยากอวดอย่าพึ่งอยากโก อ, อยากอวดนักแต่เราก็จะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยอธิบายไปถึงครั้งถึงคราวพอพูดไปศึกษากันไปคนนี้ตั้งใจมาเรียนก็ค่อยๆพูดกันถ้าเรายังไม่ได้จะออกตัวก่อนว่า น, นี้เราเรียนมาตามทฤษฎีนัอาจารย์สอนเราวันธรรมมาธรรมะทีของพุทธเป็นอย่างนี้นะสมาธิพุทธเป็นอย่างนี้แท้ๆนะอะไรก็ค่อยว่ากัน ถึงขั้งถึงคราวก็ค่อยว่าไม่ใช่หาทิศหาทางแล้วจะโอจะอวดสิ่งที่แม้เรามียอดเพชรไปงานสลัมก็ใส่เพชรเม็ดเบลอไปอย่างนี้บ่โถเออไปอวดอะไรไปข่มทําไมกับพวกชาวสลัมมันไม่ถูกกาละเทสะฐานะเลยอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องรู้ว่าสมควรแล้วคนนี้เนี่ยเอออวดเพชรเม็ดใหญ่เหมาะสมกับฐานะเขาอ่ก็ค่อยอวดของคุณก็มีเลยของฉั้นก็คอ่อยๆแง่าา ม, มาๆ ข, ข่มเขาวับเลยอย่างนี้นั่นถึงจะดี ถูกเรื่องถูกราวนี่ไม่รู้เวลากาละโถเข้าสวมก็ใส่เพชรเม็ดโตไปสลัมก็ใส่ไปอวดเขาแบกเถิงเถิงไปเพชรเม็ดงามเพชรคุณค่าสูงก็อวดชาวสลัมนี้มันก็เป็นคุณนายขี้เหอเท่านั้นเองไม่เข้าเรื่องอะไรอ่าดีไม่ดีก็โดนปล้นโดนจี้ซะด้วยไม่เข้าเรื่องชั้นใดก็ชั้นนั้นเรามีคุณธรรมสูงเรามีความรู้สูงก็ตาม ตองดูกาละเทสะฐานะพูดกันเด็กก็จะพูดแตอวดแต่ของสูงนะไอ้เด็กมันก็ไม่รู้เรื่องเพ้อเจอตัวพูดสาระเหมือนกันนะแต่คนฟังมันไม่รู้เรื่องนั่นก็เพ้อเจอในหลักหนึ่งก็บอกแล้วเพ้อเจอสอย่างไม่เข้าท่าก็ให้เรารู้หลักพวกนี้นี่จําเป็นที่จะต้องเรียนจําและตอนนี้จําหลักและก็ประพฤติพิสูจน์เข้าให้ถูกหลักถูกทฤษฎีเรามีปริญญาต์มีปฏิบัติ ถึงจะเกิดปฏิเวทแทงรอบทะลุรอบพิสูจน์จริงเอาทีนี้ก็มาอ่านจากทางเอกนะแล้วก็จะได้อธิบายไปด้วยพวกนี้ก็จะกล่าวถึงตีหลักไว้ให้คุณแล้วทีนี้คุณก็จำได้ให้ได้เองนะจำไม่ได้พูดผ่าดพูดพิงถึงมันไม่รู้ก็มันนั่งโดไปเท่านั้นเอง ท่านพูดถึงตรงนี้แล้วเราก็เดิมนึกไม่ออกก็มันก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่เกิดผลในการฟังธรรมแต่ถ้าเรานึกออกเข้าใจสอดร้อยกันมีปฏิพานทราบทากระจายกลืนกินกันสัมพันธ์กันก็ยิ่งเก่งใหญ่ก็ยิ่งจะรู้ลึกนะไอ้ขออ่านซ้ำหน้า282ตั้งแต่สมารกรรมันตักไปเรื่อยๆแล้วก็จะอธิบายต่ออีกหน่อยหนึ่งนะ พระอริยเจ้าแท้แทแล้ววันนี้วันอาทิตย์เหร อ, อวันอาทิตย์ก็สมควรแล้วใช่ไหมที่ห้าครึ่งที่หครึ่นะพระอริยเจ้าแท้แทจึงมีสมากรรมมันโตคือมีการงานที่ดีที่ถูกที่ควรยิ่งเป็นที่สุดอยู่จริงๆด้วยประการศนี้มิใช่เป็นพระอริยะแล้วก็ไม่ต้องทํางานเป็นพระอริยะผู้มีโลกุตรจิตสงบแล้วไม่ต้องทําอะไร ดังที่พากันหลงเข้าใจผิดไม่เพราะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแท้ๆที่มีปัญญาเป็นสมาธิถิจริงๆนั้นย่อมรู้ว่าการไม่ทางานหรือการเกียจเกียจขันค้านั้นมันยังเป็นคนไม่เจริญยังเป็นคนต่ำยังเป็นกิจ ต, ต่ำอยู่นักหนายังเป็นอบายามุขทีเดียวยังเป็นนักเอาเปรียบโลก เอาเปรียบสังคมเอาเปรียบมนุษย์เขายังเป็นนักเบียดเบียนกินแรงผู้อื่นยังเป็นคนเห็นแก่ตัวยังไม่ใช่ผู้เสียในวงเล็บเปรียบสละแท้ถ้าเอาคาว่าวงเล็ บ, บเปรียบนันออกก็เป็นยังไม่ใช่ผู้เสียสละแท้แต่ยังได้ไดนะแต่ยังได้ยังเอาในวงเล็บเปรียบอยู่มากกว่าเสียจริง ถ้าเอาวงเล็บเปรียบเนี่ยออกก็เป็นแต่ยังยังเอาอยู่มากกว่าเสียจริงๆยิ่งฉลาดแบบเชโกคือสมองฉลาดจริงแต่กิเลส ย, ยังมีอยู่มากจริงก็ยิ่งใช้วิกลวิธีเอาแนวเล็บเปรียบอย่างแนบเนียนซับซ้อนจนคนรู้ไม่เท่าตามไม่ทันได้สนิทนักแลรหรือ ยิ่งผู้มีปัญญามากแต่เฉโกมากในวงเล็บไม่ว่าจะเป็นครวาสหรือเป็นนักบวชวงเล็บปิดก็ยิ่งจะใช้เล่ห์เล่ผลักดันขับไสให้พระอาหารหันต์แท้ๆพระอาาริเจ้าจริงๆผู้ซึ่งทำงานช่วยมนุษยชาติกอบกู้ความเป็นอยู่สุขให้แก่มนุษยชาติแท้ๆนั้นห่างหนีหลีกพ้นไปจากวิถีแห่งสังคมที่ตนจะกอบโกยจะหลอกกินได้จะเป็นใหญ่ จะครอบครองผู้โง่กว่าไว้เป็นฐานกินฐานใช้ฐานอำนาจของตนก็ยิ่งเป็นความจริงจริงๆสังเกตอ่านพินิษวพิเคราะห์ให้ดีๆให้เห็นกันให้ได้เถิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระอริยะจริงหรือพระอรหันจริงแล้วไล่ท่านไม่ไปหรอกพวกจอมโจรบัณฑิตพวกนี้ไล่ท่านไม่ไปถ้าไม่หนี เขาจะไล่เขาจะพยายามประชดประชันแดกดันให้ขยับเคลื่อนออกไปสู่วิถีทางเส้นทางโคจรที่เขาจะกอบจะโกย จ, จะกินจะอยู่จะราบเรื่องของเขาเขาจะดันจริงๆพวนี้มีปัญญามีปัญญาก็จะพยายามดันเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ใช่พระอริยะจริงหรือยังไม่ถึงจุดยอดจริงจึงถูกดันออกไปเรื่อยเลยออกไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาหลอกได้กินเขามีปัญญาอ่า เขามีปัญญาเขาจะหลอกเขาจะดันผมเองมีของจริงนะปราด ท, ที่เรานับถืออยู่ในเมืองไทยขนาดนี้เรานับถือก็เป็นปราดนี่เคยดันเคยว่าพาดว่าพิงพมเฮ้ยเป็นพระผู้สงบแล้วเขาไม่มานั่งอยู่อ ย, อยู่ในนี้หรอกเขาต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้าสงบ น, นโถคุณลินไก่ตื่นเยอะมาหลอกมาไล่พระโพธิลักษณ์ออกไปอยู่ป่าแล้วเขาก็จะได้ สบายไม่มีอะไรไม่มีใครมาพูดขัดพูดขวางไม่มีใครมาแสดงอะไรแต่อใดที่จะเป็นสภาพที่จะคานแยงเขาเขาก็จะกอบจะโกจะ ก, จะกินจะอยู่ในฐานอานาจอย่างนี้นะผมมีสภาวะจริงมีตัวจริงมีของจริงมีบุคคลจริงใครฟังนี่ใครใใคระลึกออกว่าผมหมายถึงใครก็รู้นะเขาเป็นอย่างงั้นจริงๆเพราะยัมไม่จะมีคนเดียวหรอกเยอะแย ะ, ยะ เพราะในขณะนี้ที่โดนว่าโดนกล่าวโดนประชดประชันแดกดันเขาไม่เชื่อว่าผมเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ใจผู้ที่จะช่วยสังคมเขาเขาเองเขาอ้างว่าเขาจะช่วยสังคมผมจะทําลายสังคมเขาอ้างว่าเขาเองเป็นคนจะกอบกู้มนุษยชาติเขามีความรู้ส่วนผมนั้นเป็นคนโง่พาผิดเนี่ยมาพูดมาสอนอะไรก็ไม่รู้แล้วแล้วเธ อ, เ, ธอเอารัฐิตาเถรเทวทัตอะไรมาพูดก็ไม่รู้จะเอาศาสนามา ช่วยเหลือสังคมอะไรกันเขาก็จะไล่ตัวที่จะมาเอาศาสนามาช่วยสังคมนี้ออกไปแล้วเขาก็จะใช้าศาสนาของเขาหรือความเห็นของเขาหรือระบบของเขาปกครองสังคมต่อไปหรือพัฒนาสังคมอย่างที่เขาพัฒนาที่จริงมันจิบหายมันหายณนะมันจะพัฒนามันพังอยู่แล้วมันหายนาะมันมันมันเสียหายนะ นี่ถ้าเราสังเกตดีๆแล้วเราก็จะเห็นสภาพจริงของพวกนี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์จริงพระอริยะจริงเท่านั้นจึงจะไม่พ่ายแพ้และไม่ยอมหลงหลมพวกรู้แสนรู้ฉลาดแสนฉลาดฉลาดเชโกพวกนี้จึงจะรู้เท่าทันได้จึงสามารถที่จะแสดงงานทำงานอยู่รอดได้ถ้าไม่งั้นทางานรอดไม่ได้ก็จะบีบจะคันจะหาหนทางกั้นบีบทำให้หยุด กลไกแห่งสังคจักกลไกของผู้จะจักรธรรมจักต้องหยุดต้องชงงะงักไม่มีบทบาทขับเคลื่อนเขาครอบงําได้แต่ถ้าผู้ที่สามารถจริงจึ ง, จงสามารถที่จะเข็นธรรมจักรสังคจักให้มีกลไกไกให้มีจักให้มีจักกลให้มีแรงกลที่จะสามารถเคลื่อนนําพาให้ศาสนานี้เดินหน้าพัฒนาจเจริญงอกงามขึ้นไปได้ ไม่งั้นตายมันขาดมันถูกการกันกนก้นการกดการดีบการทำไม่หยุดเบรกเขาใหญ่เบรกเขามีแรงดีมากกำลังเบรกของเขาสูงแต่ถ้าเราเป็นอริยะถ้าเราเป็นผู้ที่สามารถมีฤทธแรงเหนือกว่าเราก็เบรกเราไม่อยู่หยุดเราไม่ได้เราก็จะต้องทำให้กลไกลของสังฆจักรธรรมจักรพุทธจักนี้เดินบทอยู่ต่อไป มากน้อยเท่าที่เราสามารถถ้าเราสามารถมากก็เดินไปได้ดีดอุปสรรคน้อยความฝืดหรือความร้อนก็น้อยความทุกนันเองหรือความเป็นอุปสรรคก็น้อยเรายังทำได้อยู่อย่างแม้ตัวเราเองทำงานเดินเครื่องนี้ก็รู้สึกว่าเดินเครื่องเหนื่อยเหมือนกันเราไม่ได้ต้องชะงักเราไม่ต้องถูกปิดกั้นอะไระหรือถูกปิดกั้นเราก็รู้อยู่แต่ว่าเราก็ยังเดินไปได้อย่างนี้เป็นต้ น, น หรือถ้าหากเป็นคนดีแท้หมดพฤติกรรมที่เป็นความต่าความเลวเลิกการกระทาที่เป็นความชั่วความต่าได้แล้วได้แท้เอาเวลาเอาแรงกายแรงปัญญาไปกระทาไปฝึกฝนในพฤติในงานที่ดียิ่งขึ้นในกรรมที่ให้ค่าแก่มนุษย์ยิ่งขึ้นเป็นคนฉลาดแท้เป็นคนบริสุทธิ์แท้ซื่อตรงก็ยิ่งควรจะทำงานให้แก่โลก เพราะมันจะได้งานที่ดีที่บริสุทธิ์จะได้ผลผลิตที่ควรที่ถูกต้องที่เป็นสาระแท้ๆอันตรงต้องกับเศรษฐกิจแห่งมนุษย์ชาติให้แก่มนุษย์ชาติแราะผู้ใดที่มีสมาธิฐิแล้วเป็นผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระอรหันแล้วเรื่องอะไรจะเอาตัวเอาร่างกายไปหมกไปหมักก็ต้องเอามาทํางานเพราะงานนี้มันเป็นสัมมาเป็นของเหมาะของดีก็ทําให้แก่มนุษย์ชาติไป เอาเวลาเอาแรงกายเอาแรงปัญญามาทุนร้อนไม่ต้องมาสะสมหรอกเดี๋ยวเขาก็มาอุดหนุนเองสำหรับผู้มีปัญญาผู้รู้แม้จะมีบุญน้อยได้แรงหนุนอุปถากย่อยๆน้อยๆก็ทำได้งานถ้าเราดีจริงมีคนมีปัญญาเห็นจริงเลยคนจะมาอุดหนุนเป็นอุปถากตามบุญบารมีเราเป็นอุปถากใหญ่ขึ้นเจริญขึ้นมีวัตถุที่จะมาช่วยสนับสนุนเพิ่มขึ้น แล้วเราก็มีหมู่มีกลุ่มแม้ที่จริงถ้าเผื่อว่าเราเองเนี่ยนะเรามีอุปถากใหญ่เศรษฐีใหญ่ร่ํารวยเหมือนหนังวิสาขาเข้ามาช่วยที่จริงเราแรงงานเราก็ยังทํากันเหน็ดเหนื่อยนะเนี่ยกลไกของเราพวกคนแรงคนก็ยังไม่เคยพอด้วยซ้ำเพราะนถึงแม้ว่าเราจะรวยมามากใหญ่ๆเยอะๆเราก็ทําไม่รอดหรอกที่จริงแต่ก็อาจจะสะดวกคิดอ่านอะไรก็คล่องแคล่วมีอุปกรณ์มีเครื่องทุนแรงมีอะไรอะไรเข้ามาช่วยหนุน แม้บุคคลช่วยนุนไม่ทันอุปกรณ์เครื่องทุนแรงสมัยนี้มันมีเยอะ <_ d ata> ก็อาจจะช่วยได้นะแล้วพวกเราก็อาจจะต้องเออเพราะมันมีเครื่องทุนแรงมาไอตัวบุคคลบางคนตอนนี้เราไม่รู้จะทําอะไรไว้ลอยชาาอยู่เพราะมีเครื่องกลไกมาอาจจะเออจําเป็นจะต้องทําก็ได้เหมือนกันน ะ, ะบางทีก็ไปไปตามจังหวะเหตุปัจจัยของมันเองทุกวันนี้เราก็ทํางานอยู่พูดทําเหนื่อยเด็เหนื่อยนี่เมื่อคืนนี้ดูมันจะโรเดียวกันทั้งคืนหรือเปล่าไม่รู้ในตอนหลับผมไม่รู้เรื่อง โตรุ่งอ่ะอ่าแล้วก็ทำกันไปทอโอเวอร์ไทม์ไม่มีนะตต้รุ่งก็ไม่ได้มีโอเวอร์ไทม์นะก็ <c oughs> ทำกันไปตามความพอใจมันเมื่อยก็พักอย่าทรมานตนเกินไปมันเหนื่อยก็จริงอยูอ่เราไม่ต้องการที่จะต้องมาทรมานตัวเองเกินการเราทำงานทำด้วยความอุตสาหาวิริยะนั่นดีใครก็อนุโมทนาแต่ว่าทำให้สุขภาพก็เสื่อมร่างกายก็เสื่อมไม่เอา แต่อย่าอ้อซ้อตัวเองอะไรนิดอะไรหน่อยอุ้ยเดี๋ยวจะสุดจะโสมก็สุดเลยตั้งแต่ตัวตัวคิดตัวนี้ก็สุดแล้วมันโอ้ตัวเองว่าหนักอ่ามันก็จะไม่เข้าท่าทีนี้ก็ต่อหน่อยผู้ดับความชั่วได้สนิทแค่ขั้นโสดาบัลก็จะมีกรรมอันบริสุทธิ์แค่โสดาบันนั่นเองให้แก่โลกให้แก่สังคมให้แก่มนุษย์ชาติ ผู้ดับความชั่วได้สิ้นสนิทเพิ่มสูงขึ้นอีกเป็นสกทาคามีก็จะมีกรรมมันเป็นอนบริสุทธ์แค่สกทาคามีนั่นเองให้แก่โลกให้แก่สังคมให้แก่มนุษยชาติผู้ดับความชั่วได้เกลี้ยงเพิ่มอีกไม่เป็นาธาตุโลกีได้เพิ่มสูงยิ่งขึ้นไปอีกก็ยิ่งจะมีกรรมที่ดีบริสุทธิ์มากขึ้นไปอีกตามลาดับตามลาดับเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์นั้นๆ น, น, นั่นแหละ ให้แก่โลกให้แก่สังคมหรือให้แก่มนุษยชาติแล้วเรื่องอะไรจะไม่ให้พระอริยเจ้าทำงานไม่ให้พระอาหารหันมาอยู่กับปวงชนมันต้องให้ท่านมาอยู่มาคลุกคลีกับปวงชนซีถึงจะถูกเพราะท่านจะทำแต่ดีท่านจะพาจะนำจะชวนแต่ทาแต่ดีจะเป็นที่พึ่งที่ดีจะเป็นแบบอย่างที่ดีวงเล็บเปิดคือสังคังสารนังแท เพราะท่านเป็นอัถฐปุริสะปุคลาเอสสะพระคัฏโตสาวะกะสังโคจริงๆหมายความว่าคือท่านเป็นที่พึ่งแท้เป็นสังคังสารนังคัจฉามิเนี่ยท่านเป็นสังคังสารนังแท้เพราะท่านเป็นอัฏฐปุริสะปุคลาคือท่านเป็นบุคคลในแปนี้จริงๆ ร, ระดับรายระดับหนึ่งหรือครบยิ่งเป็นพระอาหารก็ถือว่าครบ8 เอสพวกขวัโตสาวกสังโฆนี้แหละเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแท้เป็นสาวกสังโฆสาวสงสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆนะขวัโตก็หมายถึงพระพุทธเจ้า ส, สาวสากสังโฆก็คือสงสาวกของพระพุทธเจ้าแท้นะขอให้เข้าใจงานของพระอริยะให้ถูกให้ตรงก็แล้วกันพระในอุเวทอริยะนั้นทํางานเป็นครูแท้ๆจริงๆ เป็นครูทั้งกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมไม่ใช่เป็นได้แค่วัจีกรรมเท่านั้นนะฟังดีๆนะเราคิดบ้างจะไปเป็นครูแต่วัจีกรรมเดี๋ยวนี้แม้แต่ครูสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็เป็นแต่วัจีกรรมอย่างเก่งก็เป็นมโนกรรมคิดหนึ่งได้แต่จำมาท่องมาแล้วก็มาพูดให้เขาฟังมาพูดให้ลูกศรริษย์ฟังสองอาจจะมีคิดได้บ้างพัฒนาความคิดนิดหน่อย แล้วก็เป็นนักวิชาการเพิ่มขึ้นส่วนได้ทำนั้นไม่ทำตัวเองก็ยังไม่ทำเลยมาพูดให้แต่คนอื่นเขาทส่วนมากมันเป็นอย่างนี้มันมันเสื่อมตนทำมก่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาก่อนสิหลักการอะไรกบพิสูจน์ในวงแคบเป็นโมเดลเป็นตัวหุน่นธรรมก่อนจนกระทั่งไม่ค่อยขยายขึ้นได้ก็ขยายแล้วค่อยมาเสนอต่อสาธารณะมาเสนอต่อมูใหญ่ อย่างนี้มันถึงจะเป็นของตียิงจริงของดีหลักการแบบนี้มันเป็นของแท้หลักวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธเป็นหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาตั้งแต่ตนเองตั้งแต่ตัวเล็กจนกระทั่งได้หุ่นใหญ่หุ่นใหญ่จนกระทั่งได้ของที่จะโตไปถึงสาธารณะก็ต้องค่อยๆ อ, ออกไปสู่สาธารณะนะไม่เช่นนั้นมันของมีต่ปากเพราะงั้นมันจะเป็นกรรมทั้งสากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ใช่มีแต่วจีกรรมเท่านั้น และแกนสารแห่งการงานของพระไม่ใช่ช่างก่อช่างสร้างทางวัตถุโลกโลกนี่เป็นแนวต้องรู้เลยว่าแนวเราไม่ใช่ช่างก่อช่างสร้างช่างจะไปแข่งขันวัตถุโลกไม่ใช่เกษตรกรไม่ใช่นายแพทย์ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ผอค้าไม่ใช่นักหาเงินไม่ใช่นักมายากลไม่ใช่นักไสยศาสตร์ไม่ใช่นักแสดงความโลภความโกรธอาฆาตไม่ใช่นักกดขี่ไม่ใช่นักขูดรีดไม่ใช่ผู้หาทางเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ใช่ผู้เบียดเบียนกินแรงและไม่ใช่ผู้ขี้เกียจผู้อยู่เฉยเฉยอย่างไม่รู้กาลเทศะทั้งไม่ใช่ผู้เฟอผู้หลงหลงโลกจนไม่รู้งานของพระไม่เข้าใจงานของชาวโลกเขาจนต้องไปทำงานอย่างชาวโลกโลกคือทำงานเพื่อเพื่อลาบยศสรนเสริญโล ก, กียสุขอย่างนั้นอีกด้วย ใหม่ตบท้ายไว้ด้วยใหม่อีกอันนี้ก็จะเน้นถึงสภาพของพระอริยเจ้าสูงขึ้นมาก็จะทำงานการอยู่มีสมาริมักโสดาก็ทำตามขั้นของโซดาสกิทาก็ทำปฏิบัติสมาธิมักไปด้วยตนก็ได้ผลขึ้นสูงขึ้นด้วยเป็นของจริงผู้อื่นก็เป็นประโยชน์ซอนอยู่ในตัว มีสมาหิตตักมีประโยชน์มีสมาธิแบบมีประโยชน์ไม่ใช่สมาธิที่ไร้คุณค่าไร้ประโยชน์กว่าจะทําได้ยากาที่จะทําได้สูงส่งสูงสุดบริบูรณ์เมื่สมาดีมาองแปรนี่ขอยืนยันว่ายากเพราะเราก็ทําได้ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวจนกว่าจะรู้จนกว่าจะเห็นจนกว่าจะทําได้ตรงจริงนี่ประกาศทฤษฎีไปแล้วไปจําหลักพวกนี้แล้วทีนี้ถึงจะต้องค่อยๆ ตรองตามพิสูจน์ไปเรามีแต่ความรู้ง่ายแบบฤาษีมาก่อนทั้งสิ้นแล้วเราก็มาทําตามอย่างฤาษีมาเป็นพื้นฐานแล้วก็ค่อยพัฒนามาเมื่อสู่พระพุทธเจ้ามาสู่ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อเราเดินหลักของพระเจ้าเต็มตัวเต็มลำมีไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะมีประสิทธิภาพสูงใครจะมารู้กรรมวิธีของเราในอนาคตทารู้ชัดและพวกเรานี่ยจะเป็นตัวแทนเป็นตัวครูเป็นตัวที่มีทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติทำไปด้วยทํางานไปด้วยพูดด้วยทําการกระทําอะไรแต่ใดด้วยคิดด้วยแต่ก็ไม่มีมิจฉาทิฐิไม่มีอกุศลหรือพยายามลดอกุศลอยู่ตลอดเวลาได้ประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ท่านไปในตัวไม่เสียเวลาทิ้งเปล่ามันไดส้สองอันพร้อมกันประโยชน์ท่านก็ได้ประโยชน์ตนก็ไ ด, ได้เราก็พัฒนาเป็นส่วนแห่งบุญเป็นผลแก่ขัน แม้จะมีอาสวะหรือยังเป็นสาสวะอยู่ก็เป็นส่วนแห่งบุญไปผลแก่ขันไปเรื่อยๆๆๆๆๆอยู่ด้วยพัฒนาไปด้วยจนมันหมดเมื่อไหร่จะรู้ตัวเลยอาณาสวะเป็นผู้ที่ไกลจากฆ่าศึกอยู่เห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวก็จะเห็นได้รู้เองเลยสภาวะหลุดมาเรื่อยๆหลุดหมดก็จะรู้ไม่ใช่งมงายเอาละวันนี้ก็หมดเวลาก็<อ>สแสดงทำแต่เพียงเท่า น, นี้ ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการอบรมธรรมเชา้าประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2524ต่อจากตอนนี้ไปเป็นธรรมพปัจเจเวก่อนฉันประจำวันที่24สิ่งหาคมพุทธศักราช2524 รูปแบบของการพิจารณาก็เป็นแต่เพียงจุดหนึ่งที่จะทําให้เราสะดุดใจว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราควรจะมีความสะดุดใจอยู่เสมอมีความรู้ตัวอยู่เสมอแล้วก็ควรจะมีการพิจารณาทุกจุดที่เราควรจะสะดุดใจอยู่เสมอเสมอเสมอว่าเราผัสสะผัสสะผัสสะ เรากระทบอะไรแต่ออไรอยู่ตลอดเวลาในการกระทบอะไรที่แม้จะซ้ำซากมันก็ยังมีเหตุประกอบมีองค์ประกอบที่ต่างกันมากบ้างน้อยบ้างมันเป็นบทบาทไปอยู่แปรอยู่เปลี่ยนอยู่ไม่เที่ยงในความไม่เที่ยงทั้งหลายนั้นมากไปเราไม่รู้ตัวน้อยไปเรามีรู้ตัวก็เป็นความไม่เหมาะสมแล้วแต่มันจะมากไป เราก็ต้องลดถ้ามันน้อยไปเราก็เพิ่มมันจึงจะอยู่ในจังหวะที่เหมาะพอดีอยู่ได้เสมอเพราะความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายเป็นไปเป็นธรรมดาเราจึงจะต้องรู้จากความเป็นไปของทุกๆอิริยาบถทุกๆอารมณ์ทุกๆเวลาให้มากขณะที่สุดเพราะฉะนั้นการพิจารณาจึงจะต้องพิจารณากับผัสสะทุกผัสสะนั่นเป็นรายละเอียดรายละเอียดสุดท้าย แต่การปฏิบัติธรรมของเรานั้นถ้าเราไม่ทำตั้งแต่ให้มันได้บ่อยๆและก็ต้องรู้รายละเอียดของความถูกต้องความดีและความไม่ดีกุศลอกุศลเราไม่พิจารณาไปเรื่อยเราก็จะไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะการเห็นแก่ตัวของคนเนี่ยตัวเราเองนี่เราไม่รู้ตัวง่ายเลยว่าเราจะเป็นผู้เห็นแก่ตัวเป็นผู้เอาต่ใจตัว แต่นผู้ที่ทำตามความยึดถือความชอบของตัวความความเข้าใจว่าอย่างนี้ของเราดีแล้วมันไม่รู้ง่ายๆแม้แต่มันโลภหยาบอ ย, บอยู่ขนาดที่ เ, เจะหยาบคล้ายๆขั้นอบายยมุกเราสะสมกอบโกยแบบอบายยมุกจะต้องเสพจะต้องดูดจะต้องสูบอะไรต่างๆนานาาจะต้องทําอะไรเกินเกินเฟอ้อเฟ้ออะไรของเราอยู่เรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเราเองเราเบียดเบียนตน มันไม่อื่นเลยที่จริงมันเบียดเบียนต้นเราก็ไม่รู้ได้ไง่ายๆเพรา ะ, ะยิ่งละเอียดขึ้นมาเป็นของที่ใกล้ชิดเนื้อชิดตัวเป็นเรื่องกามเรื่องสมบัติพระสถานที่มันเป็นความจําเป็นของมนุษย์อื่นๆที่เขก็ยังใช้อยู่เราก็ยังไม่ได้พิจารณาอะไรอีกได้ไง่ายๆหรอกเพราะว่ามันใกล้ชิดเข้ามามากว่าเราจะต้องพยายามพิจารณาแล้วสลัดออกปลดปล่อยออกเห็นหได้ด้ว่ามันเกินอยู่นะมันเกินอยู่ แล้วก็หัดลดละลดละลงมาทุกวัตถุทุกอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ของเราเนี่ยะมันติดมันรับได้มากเพราะมันชอบ ม, มันสะสมแล้วมันก็จะเอาเยอะเยอะมันก็จะมากมากอยู่เรื่อยทั้งๆั้งที่มันมากมาแล้วเราก็มาแบกมาหามเราก็ต้องมาจะรักษาเราก็ต้องมาแจกจ่ายหรือมาทำอะไรต่อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องจัดการก็มันออกไปอีก รับมาก็ต้องจัดการจ่ายออกไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นภาระอยู่ในตัวเราเองมากมากาเช่นว่าเรารับอาหารมามากเกิดแคลอรี่ในตัวมากก็จะไปหาทางจ่ายแคลอรี่จ่ายในทางที่เป็นคุณค่ามันก็ยังดีแต่ที่ไม่จ่ายในทางเป็นคุณค่าไปจ่ายในทางที่จะต้องจ่ายออกเยอะๆเร่งเราเยอะๆแล้วก็เป็นเรื่องของอบายมุกซะด้วยสิ่งเหล่านั้นเราก็เลยจะต้องไป จายออกในระบบของอบายามุขนี่มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันอยู่อย่างนี้นะดัะนั้นถ้าบอกว่าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะมีการสดุดพิจารณาตัวเองจนหยาบกลางละเอียดนะประณีดขึ้นเรื่อยๆ เ, เ, เ, เราก็ไม่ได้ปฏิบัติทําขึ้นสูงเพราะการปฏิบัติเนี่ยแม้ว่าเราจะได้แล้วในฐานต้นหยาบหยาเราสดุดได้หยาบหยาบเราเลิกละได้มันก็ยังจะต้องสดุด หรือพิจารณาอ่านออกไปอีกลื่อเรื่อยๆทุกกรรมทุกกิริยามันจะละเอียดประณี่แยบคายสูงขึ้นจริงๆมาเรื่องพิจารณาจึงเป็นเรื่องสําคัญมากในการปฏิบัติธรรมจะต้องพิจารณากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เราเกี่ยวข้องอยู่ทุกๆอันอย่าคิดว่าเราพอดีแล้วนี่เราทําดีแล้วเราทําดีแล้ว นีดีแล้วของเราทํางี้ดีแล้วถูกแล้วอยู่ตลอดเวลาอย่าไปคิดอย่างนั้นดูซิว่ามันจะเป็นไปเพื่อเสียสละเป็นไปเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นไปเพื่อไม่โค้งงอทําอะไรเข้ามาให้แก่ตัวเพื่อรแรกเข้ามาเป็นลาบวัตถุหรือเป็นของที่หยาบหยาบไปซ้รรําเราก็ไม่รู้ตัวยิ่งแลกเพื่อสมใจแลกเขาให้แก่จิตใจถ้าเราทำอย่า ง, งนี้ได้เน่ได้แม้แตบบัดใจเชียว สมใจเราทำแรงแรๆหน่อยก็สมใจดีกระแทกกระทันเข้าไปหน่อยสมใจอะไรงนี้หรือว่าจะต้องเสพจะต้องเสพสัมผัสอย่างนั้นแล้วเราก็เป็นสุขถ้าไม่ได้สัมผัสอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นเราไม่เป็นสุขเราก็จะต้องพิจารณาไปจนถึงป่านชนี้สุดท้ายเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นสุขเพราะสัมผัสใดๆสัมผัสมันก็เป็นความจริงเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดอยู่เราเห็นว่ามันเป็นคุณค่าเป็น ความจำเป็นเป็นควรกของควรกระทําเราจึงกระทําแล้วมันก็เกิดสัมผัสหรือผัสสะกันขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้เกิดจิตใจจริงๆจิตใ จ, ร จ, รจรเราไม่มีอาการชอบอาการชังแม้สัมผัสแล้วก็ม่มีชอบไม่มีชังไม่มีติดไม่มีดูดไม่มีขับไล่สส่งไม่มีผลักออกอะไรกลางๆเราจะต้องอ่านให้แยบคายลึกซึ้งลึกซ้อนเข้าไปทุกอิริยาบถตั้งแต่หยาดตังกล่าวมาก่อนจนกระทั่งมาถึงตอนนี้ว่ามันกล่าวถึงปรมัตชันละเอียด เราก็จะต้องตรวจตราและพิจารณาให้เห็นความจริงจริงมันจะละเอียดยิบแจบคายว่างเบาที่สุดแม้มันจะหยาบมันก็เป็นการเสียสละเป็นการสร้างสารรค์ให้ผู้อื่นเป็นการเพื่อผู้อื่นเป็นการกระทําแม้จะให้ผู้อื่นก็ยังต้องพิจารณาด้วยความเหมาะสมอีกไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะให้เกินไปยัดเยียดเกินไปบังคับข่มขี่เกินไป แล้วมันจะถือดีเพราะว่าเราแน่ใจว่าเราจะให้ดีกับเขานี่เขาไม่เอาได้เหรอต้องเอาสิไม่เอาไม่ยอมอะไรงนี้นี่มันก็เกินไปบางคนเขาไม่ปรารถนารับหรือแม้ปรารถนารับเขายังรับไม่ได้มันยังยากไปมันลาบากไปคุณได้แล้วคุณเบาแล้วก็คุณนั่นได้เขายังไม่ได้เขายังไม่เป็นเขายังไม่สามารถเราก็จะต้องรู้ความจริงพวกนี้แล้วก็จะต้องทําตามขั้นตอนตามขั้นตามฐานะแม้เราจะให้คนอื่นยังต้องพิจารณา ปานชนีแหละเพราะการที่จะกระทำอะไรก็แล้วแต่เรามีเจตนาดีแล้วมันหลงตัวง่ายอีกคือมันมีมานะแม่เราได้ดีจะให้ดีคนอื่นจะทําดีอะไรแต่ไดอยู่ก็ถือตัวว่าอาจจะทําดีคนอื่นเขาก็ทําดีและทีนี้ยิ่งการกระทาดีหลายขแขนงคนนั้นก็ทําหน้าที่โน้นแขนงโน้นคนนี้ทําหน้าที่นีแน่นนนนขแขนงนี้พอเวลามาประจันกันเข้าแล้วเราก็จะต้องดูเออคนอื่นเขาก็เจตนาดีเขาก็ทํางานเขาก็ต้องทําอันนี้ ของเรากว่าเราดีอยู่เน้นเ้นชัดๆอยู่ของเราละของคนอื่นเขาก็เขาก็เขาก็เขากว่าดีเขาก็จะเน้นของเขาได้เหมือนกันเพราะงั้นต้องบรรยัตบรรยั่งกันบ้างแบ่งกันทําดีเกื้อกูลกันบางคนก็ก็จะต้องอนุโลมกันบ้างบางคนก็ยึดจัดหน่อยก็เอ้าก็เขาเจตนาดีถ้าเผื่อว่าเรายอมได้มันดีก็เขาก็ยึดจัดหน่อยแล้วก็เอาละบรรเทาเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องละละลละลดลบ่อยบ้าง ก็ทั้งโน้นบางทีเขาก็ทำดีแล้วละก็แต่เขาก็ยังเด็กเาก็ต้องยุดหน่อยอะไรองนี้เราก็ต้องดูหรือใครก็ตามแต่ผู้ใดที่รู้จักผลล่อนปรนรู้จักพยายามลดลาวาศอกอให้มันเป็นไปได้ อ, อันหนุนิดนีด้หน่นอยมันจ ะ, จะเจอเข็นจะดั น, นของเราอย่างเดียวมันก็แรงมันก็คานแยงมันก็หักโค่น เมื่อการประสานกันเพื่อที่จะทําอะไรต่างๆนานามันมีคะแนนมันมีแผนกมันมีหลายอย่างหลายอันเจตนาดีด้วยกันทั้งนั้นลงทุนลงแรงกันทั้งนั้นเหน็ดเหนื่อยเมือนลากันทั้งนั้นการกระทําดีด้วยการดีอย่างนี้แหละถ้าหมดอัตราตัวตนของเราอีกว่าเออเราไม่เอาแต่ของเราแม้บางทีเออของเราทําแล้วมันไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกไปมันต้องเก็บไว้ก่อนพักไว้คนอื่นเขาเอาเปโอกาสให้เขาไปก่อนเราไม่ได้ทําก่อนก็ไม่เป็นไร น่าจะเราบรรยัติบรรยังลดละอันนี้ได้ก็เอาเราก็ต้องรู้ในขั้นตอนพวกนี้อีก เ, อเรื่องตัวตนเรื่องการถืออารมณ์ถืออะไร อ, อะไรอย่างนี้มันซ่อนขึ้นไปที่ผู้นี้เปนชั้นสูงขึ้นอีกเพราะว่าต่างคนต่างปรารถนาดีแล้วก็ทําดีกันทั้งนั้นขั้นนี้แหละมันเรื่องที่จะต้องปร ะ, ประนีตโดยจะต้องละเอียดละออลดละหรือว่ า, าพยายามผ่อนปรนกัน แล้วเราก็จะสังคมหรือว่าอยู่ร่วมกันทํากันแบ่งกันทําประสานกันไปเกือ้อกูลกันคนนั้นนี่คนนี้หน่อยไปได้อย่างดีเราต้องการอันนี้มากทุกวันนี้เราต่างคนต่างเข้าใจแล้วว่าเราควำมาทําดีกันเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันเป็นปัญหาหรือให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงหักคนจนกระทั่งไม่ลดลาวาสอกันแล้ว ท่านทานที่ต่างคนดีมันน่าเสียดายทุกคนก็ดีดีเสร็จแล้วก็เรื่องไม่พอใจกันแค่นี้หักโคนแตกก้าออกไปหนีออกไปแล้วก็ไม่มาทําดีอีกเสียโอกาสมันไม่ควร อ, อย่าให้ทําเป็นเรื่องที่มันเสียหายไปโดยที่มันน่าเสียดายขอให้เราได้พิจารณาได้ปรับปรุงงานเรากว้างขึ้นใหญ่ขึ้นต้องอาศัยคนมากๆหลายไม้หลา ย, ลา ย, ลายมือหลายแผนกหลายคะแนนต่างคนก็ต่างช่วยกัน ก็ดีเล้วทั้นั้นมันก็จะเกิดกําลังใหญ่เกิดกลุ่มใหญ่เกิดงานในหลา ย, ลายอันหลา ย, ลายพวกหลา ย, ลายส่วนห ล, า ย, ลายสิ่งแล้วเราก็จะได้กระทำไปเพื่อประชาชนที่ก็จะต้องอรับกันทุกส่วนทุกสัตว์เราก็มีหลายส่วนหลายสัตว์หลายอย่างก็ได้เจือจานกันทั่วถึงนะงานก็จะกว้างขวา ง, วางจเจริญใหญ่โตขึ้นไปได้ อันนี้ก็ไล่ให้ฟังเป็นต้นๆกลางๆจนกระทั่งถึงละเอียดมาจนกระทั่งถึงขั้นสูงขั้นประณี้จนถึงขั้นคนดีอยู่ในกลุ่มคนดีก็จะต้องพิจารณาดังกล่าวแล้วก็ขอให้เข้าใจถึงความพิจารณานี้มีเป็นขั้นตอนไปตั้งแต่เราจะกินจะอยู่จะว่าทำอะไรหยาบๆต่าๆซึ่งรู้ได้ไง่ายๆต้นตๆทั้งที่ว่าไปแล้วก็ขอให้พิจารณาอะไรเรียนขึ้นไปเสมอเสมอเสมอเราจึงจะได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมีประโยชน์ มีคุณค่าไรสูงเข้าไปที่สูงได้ดังถูกต้องอแล้วเราก็จะได้เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีคุณค่าแล้วเราก็สุขสบายทุกอย่างแม้เราจะทำงานหนักอย่างไรก็เพราะใจเราวางเป็นตัวสาคัญใจเราปลงได้เรากระทบสัมผัสอะไรแล้วเราก็ แ, แ, แนนอนนิ่งแน่ไม่บุกไม่หวาบแล้วสุดท้ายเรายอมเป็นผู้แพ้ก็ได้ท่านถึงเรียกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเป็นหลักการอันหนึง่ง เพื่อที่จะให้เป็นกรรมฐานสําหรับผู้ที่อมืมันก็ไม่ยอมสักทีก็แพ้หนะ้าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารไอผู้เอาชนะฆาคานอยู่นัน้นยังไม่ใช่พระแท้เราก็จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนที่จริงมันท้ายแล้วเมื่อคนดีแล้วเอาเถอะเขาดีแม้ไม่มากเขาจะดีก่อนกเขาดีไปมันรู้แล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่รอดสุดท้ายมันก็ต้องเพื่อความสงบนันก็จํายอมได้นะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ แต่ทุกๆคนที่ได้ฟังไปแล้วก็สำคัญในเรื่องของความพิจารณาที่มีลึกซ้อนละเอียดต่างๆมาแล้วทวนตัวทุกคนได้